เมื่อวานพูดถึงเรื่องอริยสัจอยากจะรู้อริยสัจสี่เชิงลึกกยเก่าไหมพูดถึงในเรื่องของในตัวการมาสุขาลิกานุโยโคนนะฮีโนเป็นเป็นการปฏิบัติที่ต่ำช้าคัมโมเป็นธรรมของชาวบ้าน ปูุชนโนเป็นการกระทำของคนที่มีกิเลสหนาะปัญญายาบอ น, นริโยไม่ใช่เป็นธรรมของพัริยะอานาตสันหิโตเป็นธรรมที่ทาที่ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์สติพนเนะเาะำว่า h ีโนเนี่ยมันมาจากคำว่าทางที่ประกอบที่ติดอยู่ในการมาสุกเนี่ยเป็นคือย่อมถึงเป็นทางที่ต่าช้านะที่เรียกว่าต่าช้าก็เพราะว่า เป็นการปฏิบัติที่เป็นไปจมอยู่ในกามาสุขและในมัวเมาในกามาคุณทั้งหลายการปฏิบัติตนให้ติดอยู่ในกามาสุขเนี่ยในกามาสุขเนี่ยท่านกล่าวบอกว่าเป็นของชาวบ้านเนี่ยคำโมเนี่เป็นเป็นของมีอยู่แห่งชาวบ้านทีนี้เป็นของมีอยู่แห่งชาวบ้านเนี่ย คำว่าคำโมเนเป็นชื่อของมีอยู่ของชาวบ้านเพราะเป็นการงานที่ชาวบ้านเหล่านั้นพากันเสพอยู่ทีนี้ถามว่าการมัวเมาการหมกมุ่นอยู่ในการมาสุขโดยมากเนะี่ยเขาเรียกว่าเป็นพวกอันทะปุถุชนนะอันทะเนี่ยแปลว่าคนที่อันทะก็แปลว่าบอดก็ได้ อันทะพาระปุรุชนอันทะนี่แปลว่าบอดภาระแปลว่าเขาคือเหตุผลเขาบอกว่าปุรุชนเนี่ยคนที่ไม่รู้จักธรรมะที่เป็นภูมิของปัญญาที่จะเป็นปัจจัยให้พ้นจากวัฏทุกขเนี่ยเขาจึงเรียกว่าปุรุชนคือไม่ไม่ไม่มีไม่รู้จักธรรมที่เป็นภูมิปัญญาที่เป็นปัจจัยพ้นจากวัฏทุกเลย วันๆก็รู้แต่เพียงแค่การงานที่เกี่ยวกับการจะได้มาซึ่งเงินทองจะได้มาซึ่งการที่จะทำให้ตนเองติดแน่นอยู่ในการประสบในการาคุณญนั้นเองขั้นถึงเรียกว่าอันทาภาละปุรุชนก็คือไม่รู้ธรรมะที่เป็นภูมิของปัญญาที่จะเป็นปัจจัยให้พ้นจากวัฏจุกนี่เป็นอย่างนี้นะ นั้นปูดุดชนีโกเขาแปลว่าอะไร เป็นของมีอยู่แห่งปุตุชนปุตุชนิโกเนี่ยปุตตชนครับอันท่าปุตตชนก็คือชนที่อ่อนต่อเหตุผลก็ได้ก็แปลว่าพุ่อันท่าภาระแปลผู้มมืดอ่อนต่อเหตุผลเหล่าใดยังกิเลสอันหนาให้เกิดขึ้นเขาบอก มีโลราคาแบบนั้นหนาโทสะแบบนั้นหนาโมหะแบบนั้นหนาเกิดขึ้นเนี่ยก็ เ, เรียกว่าอันธพาะปุถุชนนี่เป็นอย่างนี้ยั้นเมื่อวานที่พูดถึงในเรื่องของการประกอบตนเองให้ติดแน่นในกามสุขในกามคุณทั้งหลายนี่พูดถึงในเรื่องของโลภะพูดถึงในเรื่องของตัวตัณหานีการประกอบตนเองให้หมกมุ่นก็คือมีโลภะเนี่ยเป็น เป็นทางดําเนินส่วนคําว่าอัดต ก, กิรมาฐานุโยโคเนี่ยในการปฏิบัติที่ทําตนเองให้ลำบากหรือทรมานตนเองเนี่ยคือการก่อทุกข์ให้แก่ตนเองเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าแบบอุกฤษในสมัยก่อนเลยเนี่ยก็คือเป็นการทรมานตนเองด้วยการบําเพ็ญตบะบําเพ็ญตบะอย่างสูง ก็คือการที่ไปทรมานตนเองในการที่พวกนักพจน์ทั้งหลายเลยอย่างกลุ่มพวกปัญจวัคคีเนี่ยอันนี้จัดว่าพวกบมเพนตะบะเขาถือเป็นนักบวชนะฉะนั้นเวลาพอพูดถึงในเรื่องของอัตตกิรามฐานุโยโคทุกโขเนี่ยท่านจะไม่พูดถึงท่านจะไม่พูดเหมือนเหมือนกับเหมือนกับพวก หมกมุ่นในกามเพราะถือว่ากลุ่มบุคคลเหล่านี้เขาเขาออกจากกามแล้วเขาออกจากกามแล้วเขาต้องการจะบาเพ็ญตนเองเนี่ยให้เข้าถึงความพ้นทุกข์แต่เขาปฏิบัติผิดนะเขาปฏิบัติผิดซึ่งต่างจากกามมาสุ ข, ขานิกานุโยโคถ้ากลุ่มพวกเนี้จะมีห้าความหมายใช่ไหม เป็นการปฏิบัติที่ต่ำช้าเป็นการเป็นธรรมของชาวบ้านคัมโมเป็นธรรมของปุถุชนคนที่หนาด้วยกิเลสไม่ใช่เป็นของอริยะแล้วก็อนัตตสันทิโตไม่ประกอบด้วยประโยชน์สตินทีผลถ้าลองสวดดูที่ว่าการมาสุ ข, ขันธิการุโยโคฮิโนโอคัมโมปุถุชนิโกอนัตตโยโนัสันโตใช่ไหมถ้าอัตตะกิลมัฐานุโยโคทุกโข อ, อนัติโยอนัตตสันทิโตมีแค่นี้เองใช่ไหมไม่ใช่ไม่ใช่ทางดําเนินของพระริยะ และไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์โทตสิผลใช่ไหมผแปลว่าหนึ่งเพราะว่าเป็นนักบวชที่ตนเองต้องการพ้นจากคือรังเกียดกรรมรังเกียดกรรมมาคุณรังเกียดกรรมมาสุขแล้วคิดว่าการหมกมุ่นในการมาสุขแล้วทําตนเองให้หมกมุ่นในการมมาคุณไม่ใช่ทางหลุดพ้นแต่การทรมานตนเองเนีการทรมานตนเองเนี่ยคิดเขาคิดว่าเนี่ยจะหลุดพ้นได้ เขาก็เลยบำเพ็ญความเพียรอย่างอุกฤษมีการนอนบนหนามบ้างนอนบนตะปูบ้างไปตากแดดบ้างไปผิงไฟหรือไปย่างตัวเองบ้างไปอดอาหารทรมานตนเองบ้างกินอุจจาระปัสสาวะบ้างเ้าทำหมดเลยเนี่ยเขาถือว่าทำอย่างนี้แล้วจะทำให้ตัวเองพ้นทุกข์นั้นการปฏิบัติอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่เป็นฮีโนคัมโมนะแต่อันนี้เป็น อตากิระมาฐานโยโคทุกโขอนะรโยแปลว่าไม่พระอริยะท่านไม่ทํากันท่านไม่ประพฤติปฏิบัติแบบนี้อนัตตสานิโตก็คือไม่ประกอบได้ประโยชน์ก็คือไม่เป็นมาไม่เป็นไปซึ่งปรมัตถประโยชน์เลยไม่เป็นไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์ในภพนี้ไม่เป็นประโยชน์ในภพหน้าและไม่เป็นประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์อย่างยิ่งด้วยไม่ไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์ส่วนทผลเนี่ยการกระทําให้ลําบากผิดทางทั้งคู่ แต่ถ้าพูดแล้วเนี่ยกลุ่มนักบวชยังดูดีกว่าใช่ไหมยังดูดีกว่าก็คือเขาไม่หมกมุ่นในกามแต่เขาทารมานตัวเองแต่ผิดไหมผิดทำให้ตัวเองลาบากไหมใช่ทำให้ตัวเองเป็นการปฏิบัติที่เขี่ยมเครียมด้วยนะเขี่ยมเกลียมเหมือนรังเกียจ ต, ตัวเองหนักเนียเบียดเบียนตัวเองเหมือนคนที่ชอบเครียดชอบโกรดนี่แหละไม่ต่างกันอ่าอย่างเรา กลุ่มที่ชอบทรมานตนเองเนีย่ยเช่นหิวอะไรก็กินกินกินไม่ดูแลไม่สนใจเลยมันจะมีไขมันยังไงมันจะเกี่ยวข้องไงใช่กลุ่มนี้เป็นการมสุขาริการนุโย โ, โครหรืออัตตกิรามัฐานุโยโคลเลยอ่ะพวกกลุ่มตามใจลิ้นเนี่ยจัดเข้าการมาสุขาริการนุโยโคหรืออัตตกิรมัฏานุโยโคเพราะมีอะไรเป็นทางดําเนินโลภะสิความโลภใช่ไหม แล้วอัตกิลามัทฐานโยโคทุกโข่ากุ่มไห น, นกลุ่มที่ชอบเก็บเรื่องราวต่างๆเอามาทุกเอามาโทมนัดเอามาน้อยใจเอามาในกลุ่มนี้กลุ่มอัตกิลาม น, นะเราเป็นกลุ่มไหนเคยไม่เครียดลงกระเพาะโอ้โนี่ชัดเลยนี่กลุ่มอัตกิลามมาฐานโยโคด้วยทุกโขเนี่ยเนี่ย กลุ่มเนี้ยเคยเลยใช่ไหมเคยกโกรธใครแล้วก็ไปเครียดเครียดเป็นลงกระเพาะกินก็ไม่ค่อยได้พร้อมเลยเคยไหมเราเคย <c oughs> พวกเราเคยมงหมดเลยเนาะ <c oughs> เป็นคนที่ดําเนินชีวิตผิดไม่เคยเข้ามาชมาปฏิบทาได้เลยใช่ไหมไม่เคยดำเนินพอเรามา ถ้าถามว่าการปฏิบัติทรมานตนให้ลำบากเนี่ยเหมือนพวกเจ้ารัตที่ทั้งหลายเหล่านี้ทำไมพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงไม่ตำหนิว่าฮีโนซึ่งแปลเวนวิธีการปฏิบัติที่ต่ำสามเพราะอะไรเพราะอะไรคือนักบวชเหล่านี้เขาพยายาม ตามรักษาจิตของตนเองไม่ให้ตกไปในราคะเขาเป็นตบะอย่างสูงพระเจ้าจึงไม่ตําหนิว่าเป็นฮีโนนี่เป็นอย่างนั้นเพราะวิธีการทรมานตนให้ลําบากเป็นวิธีการที่พวกบําเพตตบะเขาถือกันว่าเป็นตบะชั้นสูงเขาต้องการจะรักษาจิตของเขาพระเจ้าจึงไม่ตรัสว่าต่ำสามจึงไม่ตัดอย่างนั้นและถามว่า การทรมานตนเองที่เป็นอัตตกิรมฐ า, านุโยกเนี่ยคือการทรมานตนเองให้ลำบากของลัทธิภายนอกพุทธศาสนาทำไมพระพุทธเจ้าจึงไม่ตำหนิว่าเป็นธรรมของชาวบ้านคำโมทำไมไม่ไม่ใช้คำว่าคำโม ข่าวนี้ตอบถูกกันดีจังสาธุจริงๆอย่างนี้ก็เพราะว่าการปฏิบัติเช่นนั้นเป็นธรรมดาของนักบวชเป็นนักบำเพ็ญตะบะทรมานตนเองเพื่อทําลายกิเลสเขาคิดว่าจะเป็นเหตุแห่งการออกจากวัฏทุกข์เป็นอย่างนั้นดังนั้นการทรมานตนเองนะให้เกิดความลาบากนะทําไมพระเจ้าจึงไม่ตําหนิว่าเป็นธรรมของปุถุชนคนที่หนาด้วยกิเลส ทำไมไม่ใช่ไหมทำไมไม่ตรัสว่าเป็นของปุถุชนที่คนหนาด้วยกิเลสเพราะว่าบรรดาปุถุชนหรือชาวบ้านทั่วไปเนี่ยเขาจะบำลงบำเลระมาคุณใช่ไหมแต่กลุ่มพวกเนี้ยเขาไม่บำรงบำเลระมาคุณเลยเนี่ยเขาเขาทรมานกิเลสตลอดแต่เขาไปติดทิฏฐิ ก็ไปติดโทสะโวเขาจะเครียดเขาจะโกรธมากทรมานตัวเองหน้าตาเขาจะเศร้าหมองตลอดเวลาเขาเอาจริงเอาจังมากเลยนี่เห็นไหมการปฏิบัติเนี้ยต้องระวังนะพวกเราเหมือนกันเวลาไปเจริญกรรมาฐานก็ดีอะไรก็ดีเนี่ยเราไปคิดว่าเอาจริงเอาจังแบบไม่กินไม่กินอาหารทรมานตนเองเนี่ยเราไปคิดว่าเป็นวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องอันนี้เป็นวิธีปฏิบัติที่ผิด อย่างนั้นมันชฌิมาปฏิบัทาไม่ใช่ทำแบบนี้มัชฌิมาปฏิบัทินั้นจะปฏิบัติด้วยความสุขจะมีความสุขทุกขั้นตอนในการปฏิบัติธรรมในขั้นของทานกุศลก็สุขศีลกุศลก็สุขภาวนากุศลก็สุขเข้าใจนะมีความสุขมีปลาโมดปีติทุกขั้นตอนแต่ก่อนเนี่ยมีคนไปถามพระพุทธเจ้าว่าจะรู้ถึงความสุขได้ด้วยความสุขไม่ได้ใช่ไหม ใครเป็นคนถามปัญหานี้พระพุทธเจ้าจำได้ไหมที่บอกกับข้าแต่พระองค์ผู้เจริญการจะบรรลุถึงความสุขเนี่ยมันต้องบรรลุถึงด้วยความทุกสี้เขาต้องต้องเนี่ยต้องท ร, รมานตัวเองเนี่ยถึงจะบรรลุถึงได้แต่จะบรรลุฮะอาภัยราชะกุมารเป็นคนไปถาม เพอภัยราชะกุมารเนี่ยเป็นคนนิยมการบำเพ็ญตะบะหรือนับถือพวกบำเพ็ญตะบะก็ไปกราบทูลถามพระเจ้าบอกว่าการจะบรรลุถึงความสุขมันต้องบรรลุถึงด้วยความทุกข์มันต้องเอาความทุกข์เป็นตัวฝ่าฟันเข้าไปนะต้องเครียดต้องเคร่งต้องปฏิบัติต้องอุกฤษมันถึงจะสามารถดําเนินชีวิตเข้าถึงความสุขได้จะรู้ถึงความสุขด้วยความทุกข์มันต้องไปนั่งนานๆ ใช่ไหมต้องไปทรมานตนเองมันต้องไปย่างกิเลสไม่ทรมานกิเลสเมื่อทรมานตนเองย่างกิเลสจนหมดสิ้นไปพอสิ้นทุกสิ้นเวทนาก็สิ้นทุกพอสิ้นทุกมันถึงจะเข้าถึงบรมสุขได้ใช่ไหแล้วต้องจัดการขนาดนั้นพระเจ้าก็ออกแต่ก่อนเราก็เข้าใจงั้นแหละแต่ก่อนตถาคตก็เข้าใจว่าจะรู้ถึงความสุขด้วยความทุกขตถาคตก็ทำมาอย่างเงี้ยหกปีอะแต่ใช่ไหมไม่ใช่ แต่การจะรู้ถึงความสุขได้ด้วยความสุขต่างหากไม่ใช่บรรลุถึงความสุขได้ด้วยความทุกข์ทุกขั้นตอนเลยนะในการเข้าสู่ในการที่จะ บ, บรรลุถึงความสุขเนี่ยบรอมสุขได้มันต้องสุขทุกขั้นตอนอสุขยังไงสุขยังไงสุขยังไงอ่ะ เราจะทายังไงเราถึงจะมีความสุขทุกขั้นตอนไปได้เนคขม่านี่สุขไหมเนคขม่าในการออกจากกรามนี่สุขหรือไม่สุขก็เป็นสุขอยูการรักการเจริญศีลการรักษาศีลนี่เป็นสุขไหมศีลละสุขศีลละสุขก็คือสุขจากการรักษาศีลการไม่ฆ่าสัตว์มีความสุขหรือเปล่า และใจที่เป็นไปกับกรุณาและเมตตาเห็นไหมสุขเลยนะเนี่ยเนี่ยการไม่รักทรัพย์ใจที่น้อมปราถนาให้คนอื่นมากเลยทรัพย์ประพฤติพรหมจรรย์นะไม่หมกมุ่นในการมาคุณทั้งหลายก็มีความสุขอีกแล้วก็ไม่กล่าวเท็จใช่ไมกล่าวแต่คำสัตว์คำจริงเป็นสุขหมดเลยเนะียเนี่ยไม่กล่าวส่อเสียดกล่าวคำสมัรสมานสามคัคคีไม่พูดคาหยาบพูดวาจาที่อ่อนหวาน ไม่พูดเพื่อเจอ้ากล่าวแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ที่มีสาระสุกหมดเลยเลี้ยงชีพด้วยความบริสุทธิ์เนี่ยนะไม่ขอเอาของมึนเมาใส่ในกระแสะชีวิตเป็นเหตุให้คนอื่นไม่หวาดระแวงในตนเป็นศีละสุกหมดเลยนะเนี่ยแต่ละข้อจนถึงขนาดจะเป็นศีลศีลแปดก็คือน้อมในการตั้งแต่เที่ยงไปแล้วก็ไม่ไม่เป็นทาสของาราษฎรตัญหา แล้วก็น้อมประพฤติปฏิบัติไม่เป็นธาตุของโพภธภิพั์ตัณหาเอาเครื่องมาประทินผิวมาประดับประดาตกแตง่งไม่เห็นแก่ที่นอนที่นั่งใหญ่และสูงเป็นต้นเหล่านี้โอ้เป็นสุขหมดเลยขัดเกลาไม่ทําตามกิเลสไม่ทําตามตาัณหาเป็นศีรสุขแล้วนักเข้านะักเข้าจากศีรสุขเนี่ยชีวิตก็ปลอดโปร่งไม้มท่านอุบ ม, มาเหมือนพระราชาพระราชาเวลาปกครองประเทศแล้วไม่มีโจรผู้ร้าย สามารถนะสามารถที่จะชายแดนทั้งหลายไม่มีศัตรูทั้งหลายเหล่านี้มาโจมตีขึ้นปกครองเมืองด้วยมีความสุขชั้นใดคนที่จเจริญกุศลศีลก็ไม่มีเวรภัยแต่ไหนๆ ไ, ไม่ต้องไปหวาดระแวงแต่ที่ไห น, ไ ห, นไหนเลยก็จะมีความสุขจากการที่เดินกุศลศีลพัฒนาต่อไปอินทรีย์สังวรศีลก็เป็นสุข ปิดบาปทั้งทะวันตาได้ด้วยไม่ให้ราคาโทรศพท์โมหะไหลเข้าสู่ใจทางทวานตาทางทวานหูก็มีสติสัมปชัญญะปิดบาปได้ด้วยทางทวานจมูกทวานลิ้นทะวันกายทะวันใจปิดบาปได้ทั้ง6ทวานกายยศทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตไม่ไหลเข้าสู่จิตราคาโทรศัพทโมหะไม่ไหลเข้าสู่จิตพฤติกรรมก็เป็นไปด้วยความสุขเนี่ยก็เรียกว่าเป็นอัพยเสกสุข สุขที่เกิดขึ้นจากการปิดบาปทางทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายทวารใจราคะความกำหนัดโทสะความโกรธโมหะความหลงไม่ไหลเข้าสู่จิตการประพฤติออกมาทางกายกรรมวิจิกรร ม, มโนกรรมก็เป็นสุดจริตเลยถึงสุดจริตหมดเลยกายก็สะอาดวาจาก็สะอาดใจก็สะอาดทุกทางเลยสุขไหมนี่เป็นศีลสุขเป็นอัพยาเศสกุศนะข้ะขาก็สุขจากการที่ สำรวมบินรีไม่พอก็สุขจากการสันโดดในปัจจัยตามมีตามได้สุขจากการยืนด้วยสติสัมปชัญญะเดินด้วยสติสัมปชัญญะนั่งด้วยสติสัมปชัญญะนอนด้วยสติสัมปชัญญะในการก้าวไปถอยกลับแลตรงแลเหลียวคู่เข้าเหยียดออกการถ่ายอุจจาระปัสสาวะมีสติสัมปชัญญะกำกับอยู่ทุกเดียบตรเลย ในการยืนในการเดินในการนั่งในการนอนในการหลับตื่นพูดนิ่งสติสมัชัญญากำกับปิดบาปได้หมดเลยสุขหรือไม่สุขเนี่ยพัฒนาไปจนถึงอธิจิตสุขจิตมีความสุขแล ก, ก็พัฒนาไปถึงอุปจารสมาธิปิดนิวรณรรมได้เขาอีกราคาความกำหนัดใช่ไหมการมาฉันท์ความกำหนัดความล้านล้นในด้านจิตใจไม่ไหลเข้าสู่จิตแล้วเพราะปิดบาปได้แล้วพยาบาทความหงุดหงิดก็ไม่มี ทีนมิทะความหัวถูท้อถอยก็หมดอุทาจากุกจ า, ารฟุ้งซ่านลาคาญใจก็หมดวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยก็หมดพอได้อุปจารสมาธิสามารถกําจัดกลุ่มนิวรธรรมออกไปได้อันนี้ก็เป็นอัพยาเสกสุขเป็นสุขเขาถึงด้านจิตใจนะเนี่ยปิดนิวรธรรมนักเข้าก็พัฒนาไปสู่อธิจิตสุขเลยตอเนี้ยปฐมฌาน ท, ทาานุติยฌานตติยฌานจตุติฌานโอเนี่ยสุขทุก ข, ขั้นตอนเลยเห็นไหมเนี่ยเนี่ย ตาพทมชาญยิ่งย่งสุขทวดีชาญก็สุขจตุตตเตติยะชาญเจตุร์ชาญก็สุขอากาศานัญญาเตนาสุขวิญญาณัญญาเจตนาสุขอากินจัญญายจตนาสุขเนวะสัญญาณาสัญญาเจตนาสุขสมาบัติ8สุขหมดเลยเห็นไหมสุขตั้งแต่ศีลศีลสุขอัพยาเศกสุขเห็นไหมสุขที่เกิดขึ้นจากสัมบรวมอินทรีย์สุขจากการมีสติสัมปชัญญะในการในการสันโดษยินดี ตามมีตามได้จนถึงสติสัมปชัญญะในยาบท7นะครก็สุขในการได้อุปจารสมาธิสุขในที่จิตสุขด้านอปนาสมาธิสมาบัติ8เป็นสุขหมดเลยแล้วพอได้ความสุขระดับอย่างนี้ปุ๊บก็เป็นวิปัสนาสุขทุกขั้นตอนตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณปัจจะยปริคหายานสมมสนญาณเป็นเป็นความสุขหมดเลยนะเนี่ยวิปัสนาญาณที่ไปเห็นความจริง แยกรูปแยกนามได้เห็นปัจจัยของนามรูปก็สุกหมดเลยจนถึงเห็นไตรลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาใจก็เป็นสุขทุกขั้นตอนเลยวิปัสนาสุขเห็นเห็นทุกแต่ใจเป็นสุขแต่พวกเราเนี่ยเห็นทุกแล้วใจเป็นทุกขใช่ั้มแต่ตัวปัญญายาณเมื่อไปเห็นแลยปุ๊บเห็นความจริงของชีวิตปุ๊บจิตใจเป็นสุขปราบรื้ปราโมทเลยโห้ยความจริง ประจักแจ้งชัดกับเราแล้วเราจะเห็นความจริงแล้วต่อไปเราไม่มัวเมาไม่ลุ่มหลงไม่ประมาทไม่เลินเล่อไม่ฟันเฟือนไม่เลือนหลงอีกแล้วโอ้โหมีความสุขมากเลยเห็นไหมเนี่ยตัวปัญญายาณไปเห็นความจริงแล้วใจเป็นสุขอย่างเราเห็นทุกทุกมีไว้สําหรับเห็นแต่เราทุกของเรามีไว้สําหรับเป็นซะนี่ใช่ไหมล่ะเห็น <c oughs> ทุกเราเห็นด้วยใจตัวเราพอเป็นทุกเลย ไอ้ทุกข์ธรรมชาตินี่แหละทุกข์มันมีอยู่มันอยู่แล้วสภาพว่ายความบีบคั้นกดดันขัดแยง้งมีตลอดเวลาใช่ไหมแต่เราเนี่ยมีความสามารถใช้ความสามารถในทางที่ผิดไปดึงทุกข์ของธรรมชาติมาเป็นทุกข์ในใจคนเลนี่ยุ่งเลยแต่เนี่ยเราก็เครียดแล้วก็กลุ้มยิงไม่กริงแม็กอากาศหนาวเป็นทุกข์ธรรมชาติใช่ไหม มันก <cũng là S 2> ็เป็นของมันอยู่แล้วอากาศร้อนก็เป็นทุกข์ธรรมชาติอากาศปกติก็เป็นทุกข์ธรรมชาติมันเป็นทุกข์ในมันเองแล้วคนเกิดคนแก่คนเจ็บคนตายกระแสชีวิตมันก็เป็นทุกข์ของธรรมชาติอยู่แล้วการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยเป็นทุกขธรรมชาติเปลี่ยนแปลงบีบคั้นตลอดเวลาอยู่แล้วมันไม่มีปัญหานะถ้ามนุษย์ไม่ไปดึงเอาความทุกข์ธรรมชาติมาเป็นทุกข์ในใจคนแต่ถ้าเราเห็นความจริงปุ๊บใจเป็นทุกข์หรือเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นสุข ถ้ามีคนโทรมาป้าบอกพ่อเข้าโรงพยาบาลด่วนสมมติเข้าโรงพยาบาลก็แปลว่าป่วยใช่ไหมพยาธิใช่ไหมพอเราไปรู้ปุ๊บแล้วใจเราเป็นไงมาเป็นทุกข์ได้ไงมันทุกข์ความจริงเกิดขึ้นมาแล้วทํำไมไม่สุขลมันต้องมีความสุขที่ที่เห็นความจริงของชีวิตแบบนั้นถ้าเห็นด้วยปัญญาใจมันเป็นสุขไหม ขัดแย้งไหมเห็นทุกข์แล้วใจเป็นสุขทุกข์มันมีไว้สำหรับอะไรสำหรับเห็นสำหรับอะไรเห็นสำหรับปัญญาเขาไปเห็นแต่ถ้าเอาใจเขาไปรู้เอาใจเขาไปรับมันจะเป็นทุกข์ไหมมันก็บีบคั้นกดดันขัดแย้งสิแต่ถ้าปัญญาเขาไปเห็นความจริงปุ๊บใจก็จะเป็นสุขที ใจก็เป็นสุขว่าความจริงปรากฏชัดแล้วแกเ่าเป็นอย่างนี้วิปัสนาทุกดุทุกทุกระดับสุขหมดเลยเป็น เ, เรียกวิปัสนาสุขทั้งแต่นามรูปปริเคษทะยานปัจจะปริขหายานสัมมสาสนญาณอุท ย, ยายริญาญณอาทีนวญาณมุนจิตุกรรมยาตาญาณปฏิสังขายานสังขารุเปกขายานเนี่ยอนุโลมญาณมัคคายานผลญาณเนี่ยสุขหมดเลยนะวิปัสนาปัญญาไปเห็นความจริงนี่สุขเกิดหมดเลยปราโมดปีติปัสสทิสุข เกิดในพระศาสนาเนี่ยเป็นเส้นเป็นแนวทางดําเนินไปสู่ความสุขจนถึงเข้าถึงบรมสุขคือพระนิพพานสุขมรรคสุขผลก็สุขจนถึงนิพพานสุขเลยสุขทุกขั้นตอนแต่ถ้าใครปฏิบัติแล้วมีความทุกข์ใจเข้ามาขั้นแสดงว่าปฏิบัติผิดหรือถูกน่นผิดแน่นอนฉะนั้นเส้นทางเนี่ยพระเจ้าบอกการบรรลุ ถ, ถึงความสุขได้ด้วยความสุข แต่ก่อนท่านก็เข้าใจแบบนั่นแหละอภัยรยชมุมารเข้าใจนั่นแหละจะรู้ถึงความสุขได้ด้วยความทุกข์มันต้องทำตนเองให้เป็นทุกข์มันต้องเครียดมันต้องกุ้มมันต้องเอาจริงเอาจังมันต้องเสียเรียบถึงจะได้ได้ความสุขไม่ใช่การปฏิบัติผิดจริงๆแล้วเนี่ยจะรู้ถึงความสุขได้ด้วยความสุขแต่มันความสุขจะละเอียดขึ้นประณีตขึ้นนแต่เรา แต่ที่ผ่านมาชีวิตของเราไม่ได้เป็นแบบนี้เลยใช่ไหมเริ่มเข้าใจในศาสนาอย่างว่าเป็นศาสนาแห่งความสุขเห็นทุกแล้วใจเป็นสุขเห็นความจริงแล้วใจเป็นสุข <c oughs> หน้าหน้าทําให้เกิดขึ้นไหมปัญญาเนี่ยใช่ไหมเห็นความจริงแล้วใจเป็นสุข นั้นทุกขังอริยาสาัจจงเนี่ยทุกเป็นกิจของปัญญาเป็นหน้าที่ของปัญญาก็ไปรู้เเวลาเราสวดธรรมจักรกระเพาะธทนสูตรเนี่ยมีบทสวดที่บอกว่าในบทของทุกขสัจจะใช่ไหม เราสวดกันเมื่อวานเนี่ยสวดกันในธรรมจักรกเพาะเทตสูตรบทของทุกขสัตว์เนี่ยอลองไปดูกิจในทุกขสัตว์ทีกิจในทุกขสัตว์นี้อีทั่งทุก คัสมุทยังอริยสัจจันติเมีภิกเวปุเพอนั่ น, น, านาสุเตสุตธจากคุงอุทภพาทีไ่ไม่ไม่ไม่ตรงนี้ดียเดี๋ยวเวเออตรงนี้อันและอีทงอังโขปนาภิกเเวเนทุกขังอริยสัจจังอ้วก็อะไรกิจในทุกอะดูกิจในทุกกิจยานในทุกขสสะตวัวไง 2019, แปลว่าไอ้กิจในการทําเป็นเป็นปริญญาธรรมเนี่ยนะปริญญาธรรมก็คือทกเนี่ยเป็นกิจของปัญญาที่เข้าไปรู้เห็นไหมเนี่ยตรงเนี้ยนี่ก็แปลเนี่ยทุกข์กับสัจจะเนี่ยเป็นกิจของปริญญาเป็นเป็นกิจของปัญญาเป็นหน้าที่ของปัญญาที่เข้าไปรู้ต้องเอาปัญญาเข้าไปรู้ไม่ใช่เอาใจเข้าไปรู้ไปรับเป็นหน้าที่ของปัญญาจริงๆเลยทุกเนี่ยแต่ที่ผ่านมาพอเราเจอความทุกข์ แล้วไปทำกิจเนี่ยทำกิจผิดแล้วดันเอาใจก็ไปรับนี่เต็มเต็มเลยแต่นี่โอ้โหอึดอัดกันแย่เลยแต่นี่ให้ทำปริญญาในทุกขเอาว่าจะพูดถึงในเรื่องทุกตรงนี้ลืมัวแล้ว มีน ม, มีมีเรื่องมากมายเลยเนี่ยชีวิตนี้อัดอัดในทุกสัจจ ะ, ะ เ, ออเดืดอนแรกเนี่ยเราจะอธิบายฟังตรงนี้เราเราจะได้มีความเข้าใจเยอะขึ้น ในทกษัจจะมีอัดอยู่สประการอัถะเนื้อความหรือความหมายนี่นะหนึ่งปีรณโถปีรณโถแปลว่าอะไรแปลว่าเบียดเบียนปีรณะเนี่ยปีรณะถานี่แปลว่าเบียดเบียนบีบคั้นทกสัจจะเนี่ยมันเบียดเบียนบีบคั้นตลอดเวลาสอง สันตาปัทโธเออขอไปสองสังคตัดโถสังคตัดถามีอัตว่าปัจจัยประชุมปุงแต่งสังคตัดถาฮะสังคตัดถา อ, อ, อันแรกใช่ไหมปีรณัตโธเนี่ยอันแรกขเขาแปลว่าเบียดเบียนบีบคั้นอันนี้เป็นอัตถาเป็นเนื้อความของทุกข ทกมันมีเนื้อความว่าเบียดเบียนด้วยบีบคั้นด้วยทำให้เจ็บปวดนะว่างั้นเถอะขัดแยง้งอันที่สองสังกัตัดโถประชุมปรงแต่งสังกัตัดฐาเนี่ยประชุมปรงแต่งปรงแต่งอยู่ตลอดเวลาประการที่สามสันตาปัทโถสันตาปัถาก็แปลว่าเดือดร้อนเดือดร้อน เดือดร้อนอยู่เนืองเนืองเดือดร้อนอยู่ตลอดเวลาประการที่สวิปริณามัทโธวิปริณามัทโธก็แปลว่าแปรปรวนวิปริตเนี่ยวิปรินามะแปลวิปริตแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาว่างั้นเถอะเปลี่ยนแปลงแปรปรวนตลอดเวลานี่สี่ความหมายนี่นะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะขยายทีลความหมายนี่ทุกไอตัวทุกจริงจริงนี่หมายถึงขันห้าหมายถึงกระแสชีวิตใช่ไหม ทีนี่ปีรณนาถโถเนี่ยเป็นลักษณะของทุกแท้ๆเลยเป็นลักษณะของอริยสัจแท้ในสิบสองประการมีอะไรบ้างหนึ่งชาติทุกชาติทุกก็คือการเกิดการบังเกิดขึ้นของสัตว์ที่อุบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยที่เกิดหมุนเวียนอยู่ในวัตสงสารเนี่ยมันทุกไหม กระแสของการที่มันเวียนว่ายใจเกิดเนี่ยไอเนี่ยไอตัวชาติทุกข์ส่วนชาาทุกข์เนี่ยก็มีลักษณะเป็นทุกข์ด้วยเพราะทําให้อินทรีย์วิกฤวิปริตต่างๆอินทรีย์คือตาอินทรีย์คือหูคือจมูกคือลิ้นคือกายและคือใจเนี่ยมันค่ําค่ามันวิกฤจริตมันผิดเพี้ยนอยู่ตลอดเวลา ม็ดมันแปลมันแปลเปลี่ยนตลอดมันปีแล้วนะโถมันปีมันเปลี่ยนแปลงตัวมันเองตลอดเวลาตอนนี้มันเริ่มวิธีผลิตผิดเพี้ยนแล้วมันเริ่มทําหน้าที่เพี้ยนแล้วเนี่ยตาก็ทําหน้าที่เพี้ยนแล้วหูก็เริ่มเพี้ยนจมูกก็เริ่มเพี้ยนผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเนี่ยไตหัวใจตับเนี่ยมันเริ่มเพี้ยนเนี่นี่เขาเรียกวันชะลาทุกมันชะลาแล้วตอนนี้มันทําหน้าที่อรูปธรรมก็ เพี้ยนนำมาทำเพี้ยนไว้ด้วยไหมเริ่มเพี้ยนแล้วแล้วเป็นไงความจําตอนเนี้ยเริ่มวิปริตผิดเพีย้ยนไหมเนี่ยก็เรียกมันเป็นชาทุกข์ส่วนพยาทีทุกข์ก็คือมีลักษณะการป่วยไข้เนี่ยแปลว่าอะไรเนี่ยตอนนี้ มันเริ่มมีอะไรเข้ามาแทรกซ้อนตลอดเวลามันเบียดเบียนบีบคั้นมันทำให้อาการป่วยไข้ทั้งหลายเนี่ยเกิดขึ้นคือทุกขเวทนาต่างๆที่มันเกิดขึ้นนี่แหละเข้ามาบีบคั้นทำให้การเจ็บป่วยทั้งหลายเกิดขึ้นร้อนเกินไปหนาวเกินไปเย็นเกินไปเนี่ยนะหิวเอ้ยกระหายเอ้ยเนี่ยเนี่ยอาการที่มันนอกจากมันวิ ป, ปริต อันแรกไม่พอแล้วก็อาการป่วยไข้เข้ามาแทรกทุกจุดของร่างกายมีโรคหมดเลยในผมก็มีโรคในขนก็มีโรคในเร็บก็มีโรคฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตว่จใจมีโรคแทรกอยู่หมดเลยเออแปลกเคยไปหาหมอไหมหมอเขาบอกว่าในขนมันก็มีโรคอยู่ในขนนี่นะมีโรค รากมันเน่าบัาง่งอะไรบ้างสรารพัดหมดเลยขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดเนี่ยจนถึงสมองเนี่ยมันมีโรคแทรกทุกจุดตลอดเวลาเลยโดยวนี้นี่ก็คือพยาธิทุกมรณะทุกอันนี้แปลว่าผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกทั้งหลายมันหยุดทําหน้าที่ไอตัวไหนหยุดทําหน้าที่มันตายแล้ว เซลที่มันตายตายตายตายที่ไอตัวไหนมันหยุดทําหน้าที่แปลว่ามันตายไอมรณะทุก์เนี่ยใช่ไหมนี่มันวิพบริตขนาดนั้นนะเนี่ยนี่ปีแล้วนะโถเนี่ยมันตายมันหยุดทําหน้าที่มันโสกะทุกนี่คือเดือดร้อนพุกพานละสัมระสายอยู่ปริเทวะก็ร้องไห้น้ําตาไหลภูมปลายนองหน้าตลอด ทุกขาก็คือทำให้จิตหดหู่สลดลันทดทมณนัสก็น้อยเนื้อต่ำใจขัดเคืองขัดแค้นอุปายาสทุกก็คือสะอื้นอะไรเนี่ยอปีเยหิสัมปโยคาทุ ก, ก็ขัดข้องตรอมใจเหตุเพราะประกอบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รัก แล้วก็ปีเยหิวิปโยโคทุโขก็คือพัดพากจากของจากสัตว์และสังขารเคยพัดพากไหมบ่อยไหมพัดภาคจากสัตว์พัดภากจากสังขารมีของแล้วก็พัดพากไปของที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตเนี่ยที่มันหลุดลอยหายไปเรื่อยอแล้วไม่ได้สมปรารถนาไม่พ อ, อยังของหลุดลอยหายไปบ่อยไหมไอความทุกข์ประเภทเนี้เนี่ย เนี่ยนี่มันเป็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นนะพลัดพรากจากสัตว์และสังขารแล้วก็ยำปิดฉังนรปติตามปิดทุกขังก็คือทุกข์ที่มีลักษณะหม่นหมองบมกมุ่นวุ่นวายใจในขณะที่ปรารถนาสิ่งใดก็ไม่สมปรารถนาท่านบอกกองทุกข์ทั้ง12ประการนี่มันเบียดเบียนสัตว์ให้ลําบากให้เกิดเวทนาเกิดมาเป็นสัตว์มีชีวิตแล้วก็ เที่ยงมากที่จะถูกความทุกข์นี่เบียดเบียนตลอดเวลาเลยเที่ยงแท้ที่จะถูกความทุกข์เบียดเบียนจะได้ปราศจากทุกข์นี้ไม่มีเลยเหตุนั้นแหละพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปีละนะโถลักษณะทุกข์สิประการมันเบียดเบียนมันโจมตีกระแสชีวิตสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาไม่ว่างเว้นชาติปีทุกขาชราปีทุกขามาราน้ำปีทุกขังโศ ก, ก, กปริเทวทุกขโทนะสัปปายัสสน อภิเยหิสัมโยโขทุกโขอภิเยหิปิโยโคทุกโขยามปีฉังนรปติตามปีทุกขังเนี่ยเนี่ยแล้วถูกทุกทั้งสิบสองประการมันเบียดเบียนมันโจมตีทุกทุกขณะแต่สัตว์โลกไม่เคยรู้ว่ามันโจมตีเราอยู่มันเบียดเบียนเราอยู่ไม่มีจุดไหนเลยที่มันไม่โจมตีว่างั้นนี่เป็นอย่างนี้นี่คือ ทุกแท้ๆเลยไอตัวทุกแท้ตัวทุกอริยสัตว์แท้ๆเนี่ยมันโจมตีอยู่ตลอดเวลาไม่ว่างเว้นเลยไม่มีเวลาไหนเราจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนจะหลับจะตื่นรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องมันโจมตีอยู่ตลอดเวลา <c oughs> นี่เป็นยี้มันโจมตีอยู่ตลอดเวลาทุกจุดทั้งรูปธรรมและนามธรรมมันโจมตีอยู่ตลอดเวลาเห็นไม่เห็ น, เ, หนเราเห็นบ้างไหมตอนนี้เริ่มเห็นไหม พอพูดไปอย่างนี้ย่อมเห็นบ้างเล็กๆน้อยๆใช่ไหมแต่จริงๆน่ยมันโจมตีตลอดเวลาไหมมันโจมตีตลอดเวลาเลยในผมในขนในเล็บในฟันในหนังในเนื้อในเอ็นในกระดูกในเยื่อในกระดูกเนี่ยมันมีชาติปิดทุกขาชลาปิดทุกขาพญาที่ทุโขโมระน้ำปิดทุกขังอยู่มันมีเห็นไหมพอเราลุกพอเราพัดภาคถึงแล้วก็ทั้งโศกกระปรีเทวทุกขโทมลักษะอุปายาส นี่มันมันโจมตีมันเบียดเบียนบีบคั้นไม่เคยหยุดหย่อนเลยว่าเง้ยเด้อสัตว์โลกจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวมันคนละเรื่องแต่มันโจมตีมันเบียดเบียนบีบคั้นตลอดเวลานี่แหละปีรณะโถเงี้ยพุทธเจ้าจะบอกว่านี่ปีรณะโถแท้นี่เป็นลักษณะแห่งทุกข์สัจจะแท้เลยนี่ข้อแรกแต่เราเนี่ยถูกความทุกข์เบียดเบียนแล้วเป็นความ เป็นผู้มีความทุกอย่างลงแล้วเป็นผู้มีความทุกข์เป็นไปในเบื้องหน้าแล้วแล้วก็สวดกันอยู่อย่างนี้แหละแต่ความจริงมันเปี่ยนตลอดเวลาเลยไม่สางซาไม่วางเว้นเลยว่างั้นเถอะแต่ไม่เคยรู้ตัวกันเลยเนี่ยอยู่อย่างโมหกินแท้โมหกินเนี่ยวิชาปิดเธอไม่เห็นความจริงซะงั้นเลยนี่ปีรณนะโถเอาอัดที่สองสังคตัดโถไปว่าอะไร ไปชมปวงแต่งเนี่ยอัดคำรบที่สองหรือว่าอัดกองทุกข์ขัดข้อที่สองเนี่ยท่านต้องการอธิบายเพื่อให้มองทะลุไปถึงสมุทยรยสจักให้มองต้องการจะเห็นว่าพูดถึงทุกข์ขัดยิงแต่ให้มองทะลุไปถึงสมุทรไทยมันถึงประชมุมปวงแต่งเพราะอะไรรู้ไหมจะเห็นบอว่ า, วากองทุกข์ที่มันบังเกิดขึ้นเนี่ย ม, มันเกิดขึ้นด้วยอะไรต้องการให้เห็นใจความว่ากองทุกที่มันถูกเบียดเบียนขึ้นมากระแสขันห้าที่เกิดขึ้นมาเนี่ยผมควรเรียกฟันหนังเนื้อเป็นต่อถึงรูปะรมนามธระทที่เกิดขึ้นมาเนี่ยบางเกิดขึ้นด้วยตัณหาไอตัวตัณหาเป็นปัจจัยประชุมแต่งให้กองทุกทั้งปวงได้เกิดขึ้นต้องการให้เห็นให้ทะลุถึงสมุทัยสัจจะว่ากองทุกก้อนนี้อุปาทานขันห้านี่ย มันใครเป็นคนประชมปรุงแต่งมาไปตั้นหานี่แหละเป็นตัวปรุงแต่งเป็นตัวผลิตมาให้เป็นโรงงานผลิตความทุกข์ถ้าเป็นเจ้ากลมใหญ่ที่เป็นคอยผลิตชิ้นส่วนทุกข์มาให้มันประชมปรุงแต่งจริงนะืตัวมันเองก็ปรุงแต่งทุกข์อยู่ตลอดเวลาเนี่ยเพื่อต้องการให้สัตว์โลกพุทธเจ้าต้องการให้สัตว์โลกได้เห็นให้ทะลุไปถึงว่าไอตัวเนี้ยมันเชื่อมไปถึงสมุทัยสัจจาะนะ สิ่งอื่นๆที่เป็นปัจจัยให้ทุกข์เนี่ยตกแต่งกองทุกข์ให้แก่สัตว์เหมือนตันหามันไม่มีไอ้สมุทัยเนี่ยเป็นตัวประชมปรุงแต่งให้ทุกข์เกิดพระพุทธองค์ประสงค์จะเห็นใจความถึงสมุทญาสัจจะเนี่ยจึงใช้คําว่าสังคตโถะขยายยังทุกข์ชิ้นส่วนที่เราได้มาเนี่ยไอ้ตัวผลิตจริงๆเนี่ยไอ้ตัวประชมปรุงแต่งมาจริงไอ้ตันหานี่แหละ ต้นหาที่มันร่วมกับกรรมต้นหาที่มันร่วมกับอุปาทานตันหาที่มันร่วมกับวิชาตันหาที่มันร่วมกับไอตัวสังขารทั้งหลายเนี่ยมันปรุงแต่งมาให้มันปรุงแต่งผมมาให้ขนมาให้เล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันเก่ามันสมองเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณ เนี่ยที่มันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นตั้งอยู่ตับไปตรดาเนี่ยไอตัวปรุงแต่งในตัวผลิตมาให้จริงๆไอตัวตัณหานี่เลย <c oughs> สังคตัดโถมันไปชมปรุงแต่งมาให้อย่างนี้เขาเรียวกว่าเป็นตัวแจกจ่ายกองทุกมาให <c oughs> ้ชื่นใจไหมนั้นเวลาเรามองอัดตัวนี้จะได้มองทะลุไปถึงสมุทรยศ จ, จักว่าไอ้ทุกเนี่ยมันเชื่อมโยงมาจากสมุทไทย ขอบคุณเขาไหมขอบคุณไหมพระเจ้าที่แต่งมาให้เนี่ยไอตัวพระเจ้าที่แท้จริงคือตัวนี้แหละไอตัวตันหานี่แหละเป็นพระเจ้าขอบคุณไหมขอบคุณพระเจ้าไหมตันหาอวิชานี่คือพระเจ้าขอบคุณหรือไม่ขอบคุณที่เขาให้ตาก้อนนี้มาให้ตาให้หูให้จมูกให้ลิ้นให้กายให้ใจมาขอบคุณหรือไม่ขอบคุณคือเขายื่นกองทุกมาให้อะ เอาดินน้ำไฟลมมาให้เอาเวทนาขันมาให้เอาสัญญาสังขารวิญญาณมาให้ต้องขอบคุณก็ไม่ได้ <c oughs> เขาประชุมปรุงแต่งก้อนทุกมาให้แล้วมันก็เบียดเบียนบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยเนี่ยต้องการให้มองจากทุกขสัจจะทะลุไปถึงสมุทัยสัจจะนี่คำว่าสังคตโถนี่ชัดหรือยังสามอะไรนะ ถามอะไรเดี๋ยวจะจะถามเนะืเวลาอธิบายเวปเสร็จแล้วจะถามกลับเนะืสันตาปัทโธไปว่าอะไรเ ร, เร่าร้อนเล่าร้อนตรงเนี้ยอัดคำรบสามเนี่ยข้อที่สามเนี้ยพระพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้เราต้องการอธิบายให้เห็นตลอดถึงมรรคสัจจะให้ถึงมรรคสัจจะ ใจความว่ากองทุกทั้งปวงที่มันทําให้สัตว์เดือดร้อนและสำลักสายอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะเหตุที่สัตว์นมัวเมาประมาทอยู่ไม่อุตสาหาปฏิบัติตามมรรคสัาจาจะจึงเป็นแบบนี้ <c oughs> นถึงเร่าร้อนถึงเดือดร้อนอย่างนี้มองเห็นไหมเพราะเราไม่เดินตามมรรคสัาจจะไม่เดินตามสัจจะข้อที่สี่ไม่เดินตามอริยมรรคมีองค์แปดมีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นจะถึงสมาสัมมาทิสุที่สุดเนี่ย ถ้าสัตว์ทั้งหลายอุสาหะปฏิบัติฝึกตนเองตามสัมมาทิฏฐิตามองค์มรรกแล้วเนี่ยกองทุกข์ทั้งปวงเนี่ยความเดือดร้อนและสัมรสายทั้งปวงมันก็เกิดไม่ได้ความระสัมรสายนี่มันเกิดขึ้นไม่ได้เหตุที่สัตว์ทั้งหลายต้องระสัมรสายละงมจมอยู่ในวัฏทุก์เพราะสัตว์นั้นไม่อุสาหะปฏิบัติตามมรรคสัจจะจึงต้องเดือดร้อนกันอย่างนี้ นี่พุทธประสงค์ต้องการให้เราเห็นแทงตลอดไปจนถึงมรรคสัจจานี่แหละจึงแสดงถึงสันตาปโธเขาจยังเร่าร้อนละสัมละสายเพราะอะไรเออเพราะเราไม่ปฏิบัติตามมรรคสัจจะเราจึงเร่าร้อนปฏิบัติแต่ละทีเราก็ไปปฏิบัติตามสมุทัยสัจจะอยู่นั่นแหละ ไปเพิ่มสมุทรยัตจากอยู่เลยแล้วก็เร่าร้อนก็เดือดร้อนเราสำรสายดีเนี้ใช่ไหมที่เราต้องมาเจ็บปวดต้องมาจมต้องมารังมอยู่กับกองทุกข์กับวัตถทุกข์อยู่อย่างเงี้ยมองบอกถึงว่า <c oughs> เรานี่ปฏิบัติผิดดำเนินชีวิตผิดวิธีคิดก็ผิดมันจึงเร่าร้อนละสำรสาย <c oughs> เดือดร้อนจังเลยเนี่ย <c oughs> นี่มองเห็นไหยังโอ้เนี่ยสันตาปโธนี่เร่าร้อนมากเดือดร้อนมาก ระสามระสายอยู่ตลอดเวลาเนี่ยเดี๋ยวลุกเดี๋ยวเดินเดี๋ยวนั่งเดี๋ยวนอนกระสับกระสายโอ้โหมันเบียดเบียนบีบคั้นไม่พอโอ้โหกระสับกระสายตลอดเวลาสแสดงว่าเราปฏิบัติผิดเมื่อวานนี้เพราะว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ปฏิบัติตามมารรคสัจยาไม่อุตสาหะไม่เพียรพยายามทําสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวจาสัมมากรรมต่าสัมมาชีวะสัมมาวิยุติสัมมาสติสัมมาสมาธิเกิดขึ้นก็เตื่นร้อนตายเลยทีนี้ <laughs> นี่ถ้าเราปฏิบัติตามมรรคสัจยาจะเล่าร้อนไหม ตอนนี้มันดับความว่าเราร้อนดับความกระสับกระสับระสายได้นั่ ง, น, งนานแล้วไม่ต้องมาจมอยู่กับว่าจะทุก์อย่างนี้หรอกนี่แสดงว่าปฏิบัติผิดนั้นสันตาประตโหนี่ยอัดคํำรบสามข้อที่สามเนี่ยต้องการให้มองเห็นทะลุถึงมรรคสัจจานี่เป็นอย่างนี้เริ่มชัดเย็นนีอยังแตเนี้ ย, น, ยนี่เริ่มเจาะไปเรื่อยเรื่อยอย่างเงี้ยนะข้อที่สี่เวปปรินามะโถกแ็แปลว่า แปลว่าอะไรวิปริรวต ว, รวิปริตแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนแปลเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาตรงเนี้ยพุทธประสงค์ต้องการอธิบายให้ทะลุ ถ, ถึงนิโรธราสัจจ์จะเห็นได้ชัดว่ากองทุกกองทุกมีชาติทุทกชร า, าทุกปยาทุทกมรณะทุกขโสกกาปริเทวทุกขโทนาาัสอุปายาสทั้งหลายเหล่านี้ที่มันเบียดเบียนบีบคั้นในสัตว์วิปริตต่าง ๆ, ๆเหล่าเนี้ สัตว์ทั้งหลายวิปริตต่างๆเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งหลายยังไม่ได้เข้าถึงพระนิพพานเพราะไม่บรรลุถึงพระนิพพานไม่เข้าถึงบรมสุขคือพระนิพพานนี่แหละสัตว์ทั้งหลายก็เลยพากันละสำลรสายเลยแต่เนี้ยนะวิปริตเล่าร้อนต่างๆเลยดับความเล่าร้อนไม่ได้เลยยริงไม่จริงไม่สามารถสงบเย็นได้บุคคลที่มีปัญญาแก่กล้า เพียรพยายามดำเนินชีวิตของตอนเองจนสําเร็จนิโรธสัจจารคือนิพพานเนี่ยท่านแทงตลอดอริยามรรคอริยผลเข้าถึงพระนิพพานแล้วเนี่ยมีนิพพานเป็นอารมณ์แล้วเนี่ยทุกทั้งปวงก็ดับศูนย์หมดเลยท่านไม่ีวิปริตอีกแล้วใช่ไหมแล้วเหตุผลว่าท่านเข้าถึงอนุ ป, ปาทานปรินิพพานเข้าถึงพระนิพพานนําพากระแสชีวิตของตอนเองเข้าถึงนิพพานดับสงบร่มเย็นแล้วเขาไม่ีวิปริตเนี่ย พุทธะประสงค์วิปรินามะโถยทุกเนี่ยกองทุกที่มันวิปริตแปรปรวนต่างๆเนี่ยบ่งบอกว่าสัตว์ทั้งหลายยังไม่ได้นิพพานถึงต้องวิปริตกัน อ, อยู่อย่างเนี้นี่พุทธะประสค์ต้องการบอกว่าถ้าเราหรือกลุ่มบุคคลที่เขาฝึกฝนประพฤ่อปฏิบัติตัวเองจนเข้าถึงอนุ ป, ปาทาปริิพานธ์เนี่ยเขาดับความเล่าร้อนดับความวิปริตได้หมดแล้วเขาก็เข้าถึงความสงบเยือกเย็นไม่ต้องเล่าล้อนเขาได้เข้าถึงอมตะธรรม ทำที่สงบความวิปริตได้เข้าถึงความสุขปรมสุขเยน็นเยือกเ ย, ย็นได้ไม่ต้องวิปริตเหมือนเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่ยังไม่สามารถเข้าถึงนิโรธาสัจจะมองเห็นนี่ยังสรุปแล้วทุกสัจจะมีอัตทะเนื้อความอยู่กี่อย่างหนึ่งหนึ่งอะไรแปลว่า สองแปลว่าสามแปลว่าสี่นในข้อแรกที่บอกว่าที่บอกปีระถโถนี่ พุทธประสองต้องการชี้เห็นอะไรชี้เห็นทุกขสัจจะที่แท้ตัวเนื้อตัวเนื้อตัวของทุกขสัจจะเลยสิสองประการเนี่ยมันเบียดมั น, ม น, มนถูกโจมตีตลอดไหมะนะปีเลยนะโถเบียดเบียนโจมตีอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาไหนแม้แต่เวลาคุณนอนแล้วก็ถูกทุกโจมตีอยู่ตลอดเวลาระสัมระสายอยู่ตลอดเวลาแต่คุณจะเห็นหรือไม่เท่านั้นเองเพราะอัดข้อที่สอง เขาเรียกว่าสังกตโถแปลว่าอะไรนี้พุทธประสงค์ต้องการให้อถาธิบายเพื่อให้ทะลุ ถ, ถึงอะไรไอ้สมุทยัทยสัจจะจะได้เห็นว่าไอ้ตัวประชุมปุงแต่งทําให้ทุกเกิดขึ้นตัวผลิตชิ้นส่วนทุกให้เกิดขึ้นจริงๆมันคือตัวสมุทยัทยสัจจะไอ้เชื่อมโยงนั้น <I S 1> ส่วนคําว่าสันตาปโโธนี่แปลว่าอะไรนี้ต้องการโดยพุทธประสงค์ต้องการให้ มองทะลุไปถึงมรรคสัจจะสัตว์ทั้งหลายต้องเร่าร้อนกันอยู่ทุกวันนี้ล ะ, ละสามลสายทุกวันนี้ก็เพราะไม่อุตสาหะปฏิบัติตามมรรคสัจจะไปปฏิบัติตามสมุทัยสัจจะอยู่เรื่อยเลยเนี่ยมันผิดพลาด ต, ตรงข้อปฏิบัตินี่แหละเริ่มจะชัดเจนหรือยังตีนี้ข้อสุดท้ายวิปริณามะโถวิปริตแปลปรวนต่างๆเนี่ยเพราะอะไรเพราะ เนี่ยเพราะพระพุทธเจ้ามีวัตถุประสงค์ต้องการให้เรามองทะลุไปถึงนิโรธาสัจจะเนี่ยสัตว์ไม่เข้าถึงนิโรธไม่เข้าถึงนิพพานก็เลยวิปริตกันเลยทนีนี้นเร่าร้อนตลอดเวลาไม่สามารถดับความเร่าร้อนได้ถ้าถึงพระนิพพานปุ๊บความเร่าร้อนดับหมดไหมนี่นี่เข้าใจทุกสัจจะแล้วน่าชื่นใจยังแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจอย่างนี้เลยนะโอ้โหเนี่ย ทุกขังอริยสัจจังยังเหลืออีกทั้งสามเลยสมุทยมัยนิโรธมารโอยนิเหนื่อยไม่ทันแน่งานนี้เนี่ยการเข้าใจอริยสัจ ต, ต้องเข้าใจแบบนี้จริงๆนะถ้าไม่เข้าใจอย่างนี้แล้วจะไม่เบื่อไม่ไม่อยากออกหนีอย่างนั้นหรอกอยากจะ ก, กอดทุกจมอยู่กับทุกพัวพันอยู่กับทุกชื่นชมทุกลหลงไหลทุก ใช่ไหมเอา้าเราเป็นคนชอบเพลิดเพลินในสุขหรือเพลิดเพลินในทุกไม่จริงเราเพลิดเพลินทุกเราชื่นชมสุขหรือชื่นชมทุก<ม>ก็เ็นเราเห็นขันห้าเนี่ยเราชอบใจมัม้ยไม่ชอบได้ไงขันห้าสี่ขาเราชอบไหมกอดเขาก็แบกเขาไปแบกเขามาอยู่ในอุ้มเขาอยาู่นั่นะ สุนัขมีขันกี่ขันสุนัขมีรูปขันไหมมีเวทนาขันไหมยมีสัญญาขันไหมมีสังขารละขันไหมมีวิญญาณขันไหม mm hmm. ก็ขันห mm ้า hmm. ก็ต่างอลไรจากเราแล้ว mm hmm. ดูที่เราวิปริตขนาดไหนเราไปชื่นชมขันของอบัยศัตร์เนี่ย mm hmm. วิปริตไหมล่ะนี่วิปริตมณฑสการชัดๆเลยไปชื่นชมตาของอบัยศัตร์ว่าสวยมาก ปากของอบายศาสตร์ว่าสวยมากหูของบายศาสตร์ว่าสวยมากลิ้นของอบายศาสตร์ว่าสวยมากขนของกายศาสตร์ว่าสวยมากอย่างนี้วิปริตไหมเอ้าวิปริตหรือไม่วิปริตนี่เขาเรียกวิปริตมนุษย์การเพี้ยนสุดๆเพี้ยนเนี่ยเขาเรียกเพี้ยนไม่เพี้ยนได้ยังไงล่ะข้อภัยนะพูดตรงเรื่องจริงไหมพุทธิย่าพูดอย่างงี้เนี่ย มาพื่ตามคําสอนถ้าเราไม่วิปริตได้ไงไปชื่นชมเลยอบัยัสัตว์เนี่ยเขาเป็นสัตว์รองจากสัตว์นรกต่ำสุดคือสัตว์นรกรองลงมาคือสัตว์ดิเรกชนันรองลงมาอีกคือเปรตอสุรกายแล้วก็มามนุษย์ลองคิดดูดิเขาเป็นอบัยัสัตว์กลุ่มที่สองเลยนะสัตว์ดิเรกชันเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้ก็ไม่ได้เปรตยังอุทิศส่วนกุศลให้ได้ ยังสามารถเปลี่ยนอัตภาพได้เร็วกว่าโหสัตรยราชานี่จมหนักเลยอ่ะนี่เราไม่รู้ความจริงไงเราไปเชื่นชมอะไรก็ชื่นชมมนุษย์ด้วยกันเองอยังเชื่นชมทุกแล้วใช่ไหมล่ะน่ากรุณามากอภิยศาสตร์เนี่ยสัตว์นรกก็อุทิศส่วนกุศลให้ไม่ได้สัตว์เดราฉานก็อุทิศส่วนกุศลให้ไม่ได้ไม่ได้ เปรตเนี่ยอุทิศส่วนกุศลให้ได้เฉพาะกลุ่มที่ไม่ทุกข์มากเกินไปด้วยนะเปรตเนี่ยทุกข์มากๆไฟเผาตลอดเวลาก็ไม่มีกระใจจะมาโมทนากุศลกับใครแล้วโงนขนาดนั้นนสะสเดชาเก็มีอาหารของเขาสัตว์ในโรกก็มีอาหารคือกรรมของเขาหล่อเลี้ยงอยู่แต่เปรตเนี่ยอาศัยอาหารจากสัตว์ทั้งหลายหรือมนุษย์ทั้งหลายอุทิศให้ได้อยู่ใช่หล่ะ อุธิศส่วนกุศลให้ไม่ได้เลยนะบบยาสัตว์เนี่ยกลุ่มพวกสัตว์นรกกับสัตว์ดิบฉาเนี่ก็มีอาหารของเขาแต่สุรากายก็พอได้กลุ่มเดียวก็เปลี่ยนเนี่ยถ้ารู้ความจริงเยอะๆแล้วมันจะได้อืออะไรเนี่ยเรามันในกอดไบายสัตว์อยู่างเงี้ยเนี่ยเนีย <c oughs> บางทีอยากร้องไห้เลยนะโอ้อะไรเนี่ยเกิดขึ้น ทำไมไม่มีใครบอกเราแต่แรกๆเลยใช่ไหมเราจะได้เลี้ยงเขาด้วยความด้วยกรุณาที่ถูกต้องเราจะเห็นเขาแจกกรุณาทั้งหมดได้ใช่ไมนะก็โอ้โหเราทุกวันนี้แม่เป็นอะไรกันก็ไม่รู้บางห้างนี่เต็มไปหมดเลยเป็นธุรกิจเลยตอนนี้ยเนี่ยเป็นธุรกิจมีคนรู้จักอีกคนหนึ่งก็ขายอาหารให้กับหมากับแม่โอ้รวยเลย กมันโฆษณาอะไรก็ได้เราวันก็แค่เป็นโทษแล้ว เ, เราถูกเขาถูกสื่อนะโฆษณาบ่อยๆบ่อยๆเราก็ชอบมันมีตัวสัตว์ประหลาดบางตัวก็โฆษณาบ่อยๆบ่อยๆคนยังเอามาเลี้ยงกันเลยลองดิเราเนี่ยถูกอิทธิพลของสื่อเนี่ยโฆษณา แต่พระพุทธเจ้าเนี่ยบอกบอกสติปันธ์เอกายโนยังพิกเวมโคบอกทางสายนี้เป็นทางสายเดียวที่พระพุทธเจ้าทรงดําเนินไปแล้วสามารถเข้าไปถึงความบ้นทุกข์ได้พระพุทธเจ้าบอกอั น, นิสงฆ์นะบอกว่าเอกายโนอยังพิกเวมโคสัตตานังวิสุทธยาบอกถ้าดําเนินไปทางสายนี้แล้วจะเข้าถึงความบริสุทธิ์หมดจดทั้งเหล่าสัตว์สัตว์ตั้งหลายปรารถนาจะบริสุทธิ์จากราคะโทสะโมหะไหม หรื อ, อยังอยากจมหยกดกิเลตจมหยดกับความสกรปรกคือราคาโทวสามโมหะถ้าปรารถนาจะเข้าสู่ความสะอาดบริสุทธิ์หมดจดดําเนินตามทางสายนี้สิแล้วจะสามารถเข้าถึงความสะอาดความบริสุทธิ์หมดจดของเราสัตว์ได้สัตตานังวิสุทธิยาโสกะปริเทวนังสมติกมายะดําเนินไปตามทางสายนี้แล้วจะพ้นจากความโศกความร่ําไรลําพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจเสจะได้ไปไหมมชิมาปฏิปทาเนี่ยดำเนินที่ทางสายเนี่ย โสกกา บ, บริเทวนางสมรติกามัยญาสัอธิกามายะดำเนินตามฐานนี้แล้วจะบรรลุอริยมรรคอริยผลนิพพานาสสัจจิกริยายะดำเนินตามทางฐานนี้แล้วจะบรรลุอนุปาทาบริณิพานดับความร้อนร้อนได้เอาไม่เอานี่บอกอนิสงขนาดนี้นะ่ยพรเจ้าโฆษณากันานดะนี้เราไม่เคยได้ยินเลยเนะเราเคยได้ยินโอ้โหเนี่ยนี่ไหมตู้สวยมากพัดลมเอวยแหวนเอวยนาฬิกาแล้วถูกโฆษณาอย่างนี้มากบหมดใช่ไหม พลานากามคุณแล้วซึ่งไม่ดีจริงนะกามคุณเนี่ยไม่ได้ดีอะไรจริงนะแล้วแต่แล้วถูกบรรดาวิปริตมนาศการทั้งหลายเนี่ยโฆษณาโฆษณาแล้วก็โอ้โหตื่นตาตื่นใจแต่เราไปจมอยู่กับกองทุกไปเจ็บปวดอยู่กับมันไปผิดหวังอยู่กับมั น, นแต่ที่พระุทธเจ้าโฆษณาเนี่ยบอกทางสายนี้เป็นทางสายเดียวที่พระธรรมคตทรงดําเนินไปแล้วพระพุทธเจ้าเปิดเส้นทางนี้ให้แล้ว แต่ก่อนถูกปิดมานานไม่มีใครเปิดแต่ตอนนี้พระองค์เปิดแล้วนะเดินไหมปลอดภัยนะทางสายเนี้สามารถรู้ถึงความปลอดภัยได้อยากเป็นสัตว์โสกโปกหรือสัตว์สะอาดหรือบริสุทธิ์ถ้าอยากโสกโปะก็อยู่อย่างที่คุเธอเป็นแต่อยากสะอาดบริสุทธิ์หมดจดจากกิเลสเดินทางสายนี้แล้วจะสะอาดบริสุทธิ์หมดจดยังไงเรา เราเดําเนินตามทางสายนี้แล้วจะม่มีชาติทุกชร า, าทุกพยาธิทุกมรณะทุ ก, าาทกจะไม่มีความโศกความลําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจดับความขับแค้นใจได้ด้วยเดินไหมไปไม่ไปทางสายนี้ดําเนินตามสายนี้จะรู้อริยมรรคอริยผลดําเนินตามทางสายนี้แล้วจะเข้าถึงอนุ ป, ปาฏฐาปรินิพานดับความเล่าร้อนเข้าถึงความสงบเยือกเย็นพ้นจากการวินว่ายตายเกิดเอาไม่เอาแต่เอาก็เอกายนโนอยังพิคเวย์มาโขยบอก เ, เดําเนินตามมรคมีองศาที่ตามมรคสัจจะสิอย่าไปเดินตามสมุทัยสัจจะเธอไปเดินตามสมุทัยสัจจะจะลําลบากลำบนกันอยู่ทุกวันยังไงล่ะเราไปเดินผิดทางนี่เองจริงไม่จริงอย่างนีเป็นต้นที่พระเจ้าโฆษณาอย่างนี้นขนาดชวนขนาดนี้เราเนี้อไม่งงงงงง ง, ง, งบนวันนี้ไปดีหรือเปล่าเนี่ย ไม่เชื่อเชื่อไหมเชื่อพระเจ้าไหมพระเจ้าพระเจ้าประสงค์ร้ายกับเราหรือประสงค์ดีกับเราหวังร้ายหรือหวังดีหวังดีจริงๆริงไหมพระเจ้ารู้จักเราไหมรู้จักเราเรารู้จักพระเจ้าไหมตรงนี้เราไม่รู้จักพระเจ้าถ้าเรารู้จักพระเจ้าเราจะเป็นแบบนี้พระเจ้ารู้จักเราแต่เราไม่รู้จักพระเจ้าใช่ไหม พุทธเจ้าไม่ละเลยเราแต่เราละเลยพุทธเจ้าเราละเลยพุทธเจ้าละเลยเราไม่เคยเชื่อพุทธเจ้าเลยแต่คนที่โกหกเราเชื่อจังคนที่คนที่ชวนเราไปหาทุกไปหาความเดือดร้อนไปหาความผิดหวังเราเชื่อทุกอย่างยอมเขาทุกอย่างเ้าโกหกแล้วโกหกอีกเรา ย, ยังเชื่อเลย บอกงันเถอหลอกเราแล้วหลอกเราอีกเรายัางเชื่อเลยแต่พระเจ้าเนี่ยบอกความจริงหวังดีกับเราเลยสรารพัดเนี่ยแต่เราไม่เคยเชื่อท่านเลยเนี่ยจริงไม่จริงไม่น่าช้ำใจจริงเนี้ยทำไมเราเชื่อเราไม่ไปเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่อไปคบคนที่คุณไม่ควรครบแต่พระเจ้าเนี่ยเราก็ไม่เชื่อพระเจ้าหวังดีกับเราทุกอย่างเนี่ยเราก็ละเลยพระเจ้าซะนี่ใช่มหมหน้าตีไว้เนี่ย <c oughs> เป็นอย่างเงี้ยจริงไม่จริง เราไม่เคยเราไม่เคยเชื่อพระเจ้าจริงๆอย่าง จ, ง จ, ง จ, งจังเลยแต่คนอื่นมาพูดแป๊บเดียวไปแล้วก็โฆษณานี่หน่อยไปแล้วเขาชักจูงนี่หน่อยไปแล้วเขานัดไม่เคยผิดนัดเลยนะแต่พระเจ้านัดเนีผิดนัดแล้วผิดนัดอีก <c oughs> เวลาเรื่องกามาคุณเนี่ยโโหจดแล้วจดอีกใช่ไหมแต่พุทธคุณ น, นัดนี่จําไม่ได้ <c oughs> เออแปลกจริง ไม่ไม่แปลกนะว่าทําไมเราต้องจมอยู่กับกองทุกข์ใช่ไหมต่อไปต่อไปเปนสารภาพกับพระพุทธเจ้าสิบอกฆ่าแต่พระองค์ผู้จะเลิศต่อไปข้าพเจ้าแยกผิดแยกถูกได้แล้วแยกดีแยกชั่วด้แยกบุคคลที่ควรครบบุคคลที่ไม่ควรครบแยกบุคคลที่ควรบูชาบุคคลที่ไม่ควรบูชาแยกบุคคลที่ควรเข้าใกล้บุคคลที่ไม่ควรเข้าใกล้แยกบุคคลที่เข้าไปควรเข้าไปหาและไม่ควรเข้าไปหา แยกบุคคลที่ควรฟังและไม่ควรฟังข้าพเจ้าแยกได้แล้วแต่ก่อนแยกไม่ได้สักที <c oughs> มาขอเขมาพระพุทธเจ้าหน่อยกาเยนะวาจายวเจตสาวาพุทธเทกุกามังปะกตังมายายาังพุทโทธปิคันนะตัวจยายันตังการันตเลสังเ ว, วทหตวงพูด <c oughs> ใช่ไหมแล้วขอขมามาตั้งนานเดี๋ยวเราไม่เข้าใจสักทีวันนี้เข้าใจแล้วกันเข้าใจแล้วต่อไปเรายังมีเชื่ออีกแล้วคนบางคนเนี่ยคนบางคนรู้เป็นใครมาจากไหนรู้ พูดตัวเชื่อมวเลยโดนหลอกแล้วโดนหลอกอีกอยู่นี่ลเลยเจ็บปวดทุกทีใช่ไหมต้องมาร้องไห้แล้วร้องไห้กันอีกเจ็บปวดแล้วเจ็บปวดอีกเพราะเราเชื่อคนที่ไม่ควรเชื่ออย่างนึงบุคคลที่หวังดีกับเราระดับกุฏิยาเราไม่เชื่อบางทีมันนั่งเอ๊ะจริงหรือเปล่านี่ฮเฮ้ยจะทําได้จริงหรือสามารถจะทํากระแสชีวิตเราให้เข้าถึงความ้นทุกข์ได้จริงหรือเปล่าสงสัยขนาดนั้นบางที ใช่ไหมเป็นไหมแต่ก่อนเป็นไหมเออลังเลสงสยัยไปสงสัยพระพุทธเจ้าแปลกมาที่กิเลสมาชักจูงมันั่นไม่เคยสงสัยเลยโูหตัดสินใจปุ๊บปุ๊บปุ๊บ๊บบบแล้ว ก, กลับมาเจ็บปวดมานอนเรียแพ้กันอยู่ดี <c oughs> <c oughs> จริงไหมงั้นต่อไปถ้าใครที่ ที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้านี่ฟังหูไว้หูไว้แต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้านี่รีบเถอะอย่าไปกังวลอย่าไปลังเลกันอีกเลยโอ้โหเรานี่กี่โมงแล้วนี่มีใครสงสัยอะไรไหมนี่อัดของทุกขสัจจะชัดเจนนี่ยังต่อไปก็อัดของอะไรอย่างสมุทยสัจจะ อัดของสมุทยะเสจะมีสี่อย่างนะอายุหนัตโถ ổ. เ็าแปลว่าประมวลมาประมวลมาตกแต่งก็ได้ประมวลมาก็ได้ประมวลก็คือการอายุหนะัตประมวลประมวลในที่นี้ก็คือว่าตกแต่งมาทำให้เกิดขึ้นอะไรอยอายุหนะัต ประมวลในที่นี้มันเป็นชื่อของเหมือนเขาเป็นโรงงานนี่แหละเป็นโรงงานเป็นตัวผลิตเป็นตัวโรงงานในการที่ตกแต่งหรือประชมุมก็หมายความว่าเขาเป็น <c oughs> พนักงานตกแต่งกองทุกเหมือนเหมือนโรงงานผลิตรถ อประมวลมาสับเนี่ยอายุหณะเนี่ยเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนทุกผลิตตัวก้อนทุกผลิตตัวทุกแท้เลยเนีไออายุหณนะ <c oughs> <c oughs> เขาเป็นคนหยิบยื่นมาให้หยิบยื่นตามาให้หยิบยื่นหูจมูกเล่นกายใจหยิบยื่นกร อ, องทุกมาให้เอ้าออกไปเอาไปเราก็รับรับรับรเขามีหน้าที่อย่างเงี้ยประมวลให้ยื่นให้ส่งให้ นิธานโถนิธานนี่แปลเป็นเหตุเป็นเหตุเขาเป็นเหตุแล้วก็ประการที่สามสังโยคัตโถสังโยคัตนี่ก็แปลว่าประกอบประกอบให้ประกอบชิ้นส่วนให้ให้ละเอียดเลยก็ประกอบให้ทุกอย่างเลยเนีประกอบให้แบบวิจิตบรรจงเลยว่างั้นเถอะ ดูที่เขาประกอบมาให้โอ้โหไอตัวสมูทไทยเนี่ยโอ้โหประกอบห้อย่างวิจิตง่งมากทำให้เราเพลินกับมันได้ขนาดนั้นนะแล้วก็ปริพาณัปริพาทัตโถเป็นกังวลปริโพปริโพทะปริโพทะปริโพทัตปริโพทเนี่ยให่ปริโพทัตโถ แปลว่าเป็นกังวลเป็นเครื่องกังวลเป็นความกังวลครับเดี๋ยวค่อยไปทีละข้อ น, นึกนล้วมาศึกษาธรรมะตอนแก่เป็นอย่างนี้แหละตอนหนุ่มหนุ่มสาวสาวไม่มาเรียนกันมาเรียนตอนตอนหนุ่มหน่มสาวสาวก็เอาความสามารถไปเลียนกามะคุณท่นี่ไปศึกษาการมะคุณเล่นจนยับเยินหมดเลย นี่อยากจะพ้นทุกข์กันแล้วเอ้ายังทันอยู่ยังทันอยู่ปลอบใจตัวเองไว้ยังทันยังทันยังไม่สายยังไม่สายเรายังไหวเราเพิ่งเจ็ดสิบห้าเองยังไม่สายเราเพิ่งเจ็ดสิบห้าเองยังไม่สายยี่สิบห้าหรือเท่าไหร่เจสิบเป็นยปี เจ็สิบห้าเป็นจะเพียโอาก็คบอายุไขแล้วสินะปริโพทัตโ ถ, ถทัตก็คือทอทงไม่หันตอเตา่าสระโอถอถุงโถตัวเนี้ยจะเป็นอาจเป็นถ้าสั์เดินก็มาจากคำป ร, ปริโพทักเลย ก็คือเป็นเป็นเครื่องกังวลทีนี้อัดแรกความหมายแรกของอายุหนัตโถเนี่ยเป็นลักษณะของสมุทรยศั จ, จ้าแท้ๆเลยตัวสมุทรไทยแท้ๆตัวตั้หาแทๆ้ๆตัวเหตุของทุกแท้ๆเนี่ยเขาแปลว่าประมวลมาคําว่าประมวลมาก็คือว่าตั้หาเนี่ยเป็นเจ้าหมู่เป็นเจ้ากรมใหญ่เป็นพนักงานตกแต่งซึ่งกองทุกให้แก่สัตว์ทั้งปวงเลย ถ้าเป็นพนักงานตกแต่งประมวลมาซึ่งกองทุกให้กษัตริย์ทั้งปวงไม่เลือกหน้าเขาไม่เลือกหน้าเลยประมวลกองทุกขมาให้กับสัตว์ประเภทไหนไม่ว่าจะเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายมนุษย์เทวดาพรหมทั้งหลายเนี่ยเขามีหน้าที่ประมวลตกแต่งกองทุกขไม่เลือกหน้าไม่เลือกหน้าอินหน้าผมเขาเลือกให้เขาตกแต่งให้หมดเลยเนี่ยเามีหน้าที่ตกแต่งกองทุก ตกแต่งก้อนทุกข์อย่างเช่นผมของสัตว์นรกเนี่ยก็เป็นคนตกผมของสัตว์เดรัจฉานผมของเปรตผมของอสุรกายผมของมนุษย์ผมของเทวดาผมของผมเขาตกแต่งให้เป็นอย่างนี้อย่างนี้โอ้โหวิจิตบันจงต่างกันออกไปเนี่ยก็ตกแต่งให้เลย <c oughs> <c oughs> นี่เป็นโรงงานผลิตเลยเป็นเจ้าการใหญ่เป็นพนักงานในการตกแต่งกองทุกข์นี่ยโห้ห เราเคยเรียนอรียศาสตร์กันแบบนี้ไหมไม่เคยเลยเนะี่ยนี่ก็มีหน้าที่ตกแต่งให้ทุกชิ้นส่วนเลยตกแต่งให้ตลอดเลยนะฮะแม่ลองดูนะผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยอ่ในกระดูกเนี่ยแล้วเราให้ชื่นชมมันโอ้โหเนี่ยดูตัณหาแต่งให้ ไอ้เจ้าก้อนใหญ่ก็ตกแต่งให้โอ้โหเรามีผมอย่างนี้มีขนอย่างนี้มีเล็บเวลาไปเราเลี้ยงอบยสัตว์สักตัวก็เป็นดูเขานะโอ้โหขนนี่นะนี่เนี่ยตั้นหาแต่งให้โอ้งามมากงามมากขนเอยอะไรเอยแต่งให้ผมขนเ ล, เล็บฟันหนังเนื้อเป็นต้นเลยจนถึงไตตับปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หัดเก่ามันสมองเนี่นะจนถึงสุขเวทนาทุกขเวทนาทุกทกรรมสุขเวทนา รูปสัญญาศัทธาสัญญาคันธาสัญญาทั้งหลายเลาเนี้ยนะตลอดถึงตัวกุศลอกุศลทั้งหลา ย, ลยนี่จะเกิดขึ้นปรุงแต่งมือตันหามันปรุงมันแต่งให้จากขวิญญาณอาศัยตาโสตวิญญาณอวญญาณได้ใสหูวิญญาณทางตาหูจะบวกเล่นกายใจนะเนี่ยโอ้โหเนี่ยไอ้เจ้ากลมใหญ่ตัวตันหาตกแต่งให้ไม่เลือกหน้าเลยแล้วต่างกันด้วยนะตาของสัตว์นรกกับตาของสัตว์เดรัจฉานโอ้โหกุวิ จ, จิตมันจงต่างกันเวลาสัตว์นรกก็มีหลายกลุ่มหลายเผ่าพันธุ สติละชานก็หลายกลุ่มหลายเผ่าพันธุ์มากใช่ไหมตาตาของตาของช้างก็อย่างตาของควายก็อย่างตาของหมูก็อย่างตาของจระเข้ก็อย่างตาของสุนัขสุนัขก็หลายพันด้วยตาของแมวตาของเสือตาของยีราฟเนี่ยตาของงูตลอดถึงตาของคนก็หูหลากหลายที่มันตกแต่งมาเนี่ยดูสินี่ตั้นหามันไม่เลือกหน้ามันตกแต่งมาให้ ตามความวิจิตของกรรมโอ้โหตกแต่งให้ขนาดนั้นวิจิตบรรจงถ้าเราไปเห็นแล้วเราแยกแยะเราเข้าใจเรื่องเหตุเรื่องผลตรงนี้เราจะนึกมหัศจรรย์พันลึกสะเทือนใจเราโอ้โหตกแต่งขนาดนี้สะเทือนใจเลยนะแต่เราเข้าใจเหตุเข้าใจผลอย่างเงี้ยสะเทือนใจมากโอ้โหนี่ไอ้เจ้าอายุหานโถเนี่ยสมุทีย์สัจจาบันตกแต่งไว้โอ้โหวิจิตบรรจงมากเลย อาจจะเข้าใจว่าอ๋มนี่ตกแต่งเป็นเจ้ากรมใหญ่นะไม่เลือกหน้าทว่าโดยสังเขปมันมีสองประการในะตัณหาอัตถถนะัถะกับปรถถัตถะอัตถะตัณหาคือปรารถนาให้เป็นประโยชน์แก่นตนเองนะตัณหาเนะี่ยไม่เช่นปรารถนาได้ทรัพย์สมบัติบริวารทั้งปวงเหล่าเนี้ยปรัตถะก็คือช่วยคนอื่นช่วยเฉพาะคนที่ตนเองรักนั่นแหละบุตรเอยภรรยาเอยสามีมันก็ไปแค่นั้นตัณหาอยู่วนวนวว น, ว น, วนอย่างนี้ เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตัวตัณหาเนี่ยนั้นไอ้ตัวตัวลักษณะตัณหาที่บอกว่าอัตถะตัณหาปรารถนาจะให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองคอันนี้ก็เอาแล้วตัณหาเกิดขึ้นมามันก็เดินมันใหญ่โกดขึ้นมาก็สแสวงหาแล้วทรัพสมบัติเอ่ยบริวารเอ่ยเพื่อประโยชน์ตนเองยังไงสแสวงหากันไม่จบไม่สิน้นแต่ประรฐาก็ปรารถนาจะช่วยบุคคลอื่น ถ้าจะช่วยคนก็เฉพาะคนที่เรารักนะแต่คนที่เรารักไม่รักไม่ช่วยจะช่วยสัตว์อื่นก็ช่วยจํากัดในในตัญหาของเราซะเกลื่ดูวนะมีสัตว์ตั้งไม่รู้ไปกี่ล้านจะพวกเรารักอะไรบางคนรักแมวก็เลี้ยงแมวบางคนรักจิงเหรนก็เลี้ยงจิงเหรนรักใส่เดือนเลี้ยงใส่เดือนรักไก่เลี้ยงไก่รักหมูเลี้ยงไม่มีมั้งรักไก่เลี้ยงก็รักหมูบางคนมีจริงจรงเอาไปเลี้ยงรักมันเนี่ยมันเรียกประทัดตัญหา ตัณหาที่ออกไปข้างนอกหน่อยก็จํากัดเป็นอคติไม่ได้รักเขาจริงหรอกรักแต่ว่ า, าจำกัดสุนัขข้างถนนไม่รักถ้าสุนัขที่ตนเองอยู่ในบ้านรักโอ้โห อ, โอมากเห็นสุนัขขี่เลือแแง่งๆงกลา ง, า ง, า ง, างาถานนโดดไปอุ้มเลยไหมโอ้โหไม่เอา <laughs> นันเป็นอย่างนั้นในพระธาตตัณหาเนี่ยใช่ไหมดูทีนี้ดูหน้าตามันเป็นอย่างนี้นะตัณหาเนี่ยสมุทัยเป็นแบบนี้ <laughs> โอ้โหไปรู้จักข้ามาจริงๆเราจะรู้สึกโอ้โหทำไมเราเป็นทาสเป็นมาขนาดนี้นี่อยากรู้มากกว่า น, นี้ไหมหรือรู้แค่นี้พอ <c oughs> พอรู้มากก็ยิ่งรังเกียจตัวเองมากรับไม่ได้เลยเนี่ยเนี่ยทำให้เกิดความส่ร้หมอง คือความปรารถนาทั้งสองประการเนี่ยถ้าไม่สําเร็จดังความปรารถนาก็เกิดทุกข์แม้จะสําเร็จอาการที่จะได้ก็ไม่ได้รวดเร็วอย่างฉับพลันนะก็เป็นทุกข์อีกเศร้าหมองอีกมันเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ทุกข์ของมันเบียดเบียนอย่างนี้แหละอันนี้เขาเรียกว่าอายุหนะมัน มันประมวลมาตกแต่งตกแต่งทุกมาให้งั้ปัจจุบันมันก็ตกแต่งนะมันสารพัด แ, แล้วเราจะทําอะไรทั้งหลายเราเนี้ทําให้กับตนเองกับคนที่เรารักหรือคนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันประมวลทําทําแล้วสมปรารถนาไม่สมปรารถนาสังเกตดูดิมันก็ให้ทุกอยู่เนืองเนืองว่ากันถึงทำให้เราประสบความทุกอยู่เนืองๆถ้าเราสมหมายไม่สมปรารถนากับการที่ให้กับตนเองก็เป็นทุก หรือไปช่วยเหลือคนอื่นไม่ได้ดังใจก็เป็นทุกข์ได้ดังใจแต่มันช้าเกินไปทุกข์สรารพัพมันให้ทุกข์นนะีเนี่ยเนี่ยเป็นไปในลักษณะอย่างนี้ว่าสัตว์ที่เราบุคคลที่เราไปเกี่ยวข้องมันก็บังเกิดทุกข์ สัตว์ทุกจําพวกมันมีตันหาเหล่านี้เบียดเบียนตลอดแม้แต่ตัวเลือดเล็กๆตัวมดเล็กๆมันก็ปรารถนามันอย่างเงี้ยเพราะมันไม่สมปรารถนามันก็เป็นทุกข์มันก็เดือดร้อนมันก็ระส่ำระสาอยู่งี้ยประมวลทุกข์มาให้มันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยถึงนั้นพระบรมศาสดาต้องการให้เห็นว่าลักษณะของสมุทัยสัจจะเนี่ยแท้แท้เป็นมีหน้าที่อายุหนะก็คือมันประมวลทุกข์มาให้อยู่ตลอดเวลามันสร้างทุกข์มาให้ตลอดเวลา แล้วมันเกิดมันตกแต่งทุกข์ให้ตลอดเวลามันไม่เคยหยุดในการที่จะตกแต่งทุกข์ให้เลยไม่ว่าเวลาไหนเวลามันเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละเวลาใดมันก็จะทําทุกข์มาให้อยู่อย่างไม่ว่างเหมือนนี่เป็นอย่างนี้อนี่เป็นตัวทุกข์เป็นตัวลักษณะของตัณหาแท้ๆสมุทัยแท้ๆเป็นแบบเนี้ยอประการที่สองนิทานนโถ อันนี้เป็นเหตุนะกองทุกข์ทั้งปวงเนี่ยนี้ต้องการที่จะเชีย่ยเห็นว่ากองทุกข์เนี่ยมีแก่สับ์ภาษาก็อาศัยตัณหาเนี่ยเป็นเหตุก็คือต้องการชี้ทุกขสัจสมุทยัยสัจจะที่ไปกระทบถึงทุกขสัจจะ ให้มองไม่ใช่มองแค่ทุกขสัจจะสมุทยาาายัยสัจจะอย่างเดียวนะมองไปถึงตัวทุกข์ด้วยว่ามันเชื่อมโยงกันยังไงว่าเขาเนี่ยเป็นเหตุ ข, ของทุกข์ทุกเกิดขึ้นเพราะเขาอย่างไรเมื่อเห็นตัวอัดของสมุทัยสัจจานี้จะได้มองไปกระเทือนถึงตัวทุกขสัจจะมองไปเห็นตัวรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณเห็นกลุ่มอบายสัตว์เอ่ยกลุ่มมนุษย์เอ่ยกลุ่มเทวดาทั้งหลายเหล่านี้ เนี่ยไอตัวทุกขสัจจะที่มันระสัมละสายพุกพ่านทั้งหลายเหล่านี้ไอตัวเป็นเหตุจริงๆก็คือตัณหานี่แล้วตัณหาเป็นเหตุของทุกจริงๆเนี่ยเพื่อต้องการพูทธประสงค์ต้องการให้เราเห็นตัวสมุทัยด้วยแล้วก็กระเทือนไปถึงตัวทุกขสัจจะด้วยว่ามันเชื่อมโยงหรือมันยึดโยงกันยังไงงนั้นเวลาเห็นตัวสมุทัยสัจจะเขาเป็นเหตุแล้วเนี่ยไม่พอต้องไปเห็นตัวทุกขสัจจะที่เป็นผลของเขาด้วยว่าเขาสามารถผลิตขึ้นมาสร้างขึ้นมาให้ตลอดเวลา และในขณะเดียวกันเมื่อเขาได้ทุกข์สัจจะแล้วเนี่ยนะแล้วก็ตัวเขาก็ยังมาผัวพันในฐานะว่าคุณเป็นผลของฉันนะฉันจะต้องมาครอบครองคุณจะต้องมาครอบงำคุณจะต้องมาจัดการคุณต่อไปจะไม่ให้คุณพ้นจากอำนาจของฉันได้นี่ขนาดนั้นเลยนะเขาเป็นเหตุขนาดนั้นงนั้นทุกเนี่ยใครแต่งขึ้นมาใครสร้างขึ้นมาสมูทายสร้างขึ้นมาฉะนั้นเขาก็กลับมาครอบงาต่อ มาบงการต่อขนาดนั้นเลยเนะี่ยเขาไม่ปล่อยเลยนะเนี่ยมองเห็นไหมครับ เ, เขาไม่เคยปล่อยเลยนี่เป็นผลของฉันเนี่ยทุกเนี่ยฉันเป็นคนผลิตคุณมาคุณจะออกจากวงจรฉันไม่ได้จะออกจากบวงฉันไม่ได้ออกจากอํานาจฉันไม่ได้ฉันต้องคุมคุณต้องจัดการคุณให้คุณจอมปากอยู่เนี่ยวิบัติอยู่กับฉันนี่แหละว่างั้นเถอะฉันจะจัดการคุณให้เต็มที่ไม่คุณหาทางออกได้เด็ดขาด โหดร้ายั้ยสมุทยาสจารีโหดร้ายมากเขาโหดร้ายมากเขาไม่ปล่อยหรอกโอ้โหนี่นิทานโถาะเราเป็นเหตุคุณเป็นผลของฉัน นั้นชาติทุกชลกรล า, า, าทุกปยาทุกมรณะทุกมันเป็นผลของฉันฉันต้องตามไปบงการตามไปจัดการตามไปครอบงําเพื่อจะไปประกอบไว้ไม่ให้คุณออกจากอำนาจของนันต่อไป <c oughs> <c oughs> เรื่องอะไรฉันจะปล่อย <c oughs> ตอนนี้เรากำลัง <c oughs> เรากำลังสู้อยู่อะไรอยู่เนี่ย <c oughs> กิเลสมารจะชัดเลยเนี่ยตัวสมุทัยยะ น่าสะพึงกลัว ม, มากแต่ เ, เราจะรู้ไหมจะเข้าใจมันไหมแค่นั้นเองเนี่ยคำว่นนานิทานนโถประการที่สามสังโยคัดโถก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าตัณหาประกอบสัตว์ทั้งปวงไว้ในวัฏสงสารเนี่ยอันนี้ชัดกว่าเดิมอีกแต่เนี่ยอันนี้ต้องการให้เห็นอะไรต้องการที่จะอธิบายตลอดถึงนิโรธสจา ตัณหาประกอบสัตว์ไว้ในวัฏสงสารเนี่ยนะเพราะเหตุที่สัตว์ทั้งปวงเนี่ยเพราะไม่ทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานนี่แหละมันถึงถ้าสัตว์นั้นทําให้แจ้งซึ่งพระนิพพานปุ๊บสัตว์ทั้งหลายก็ไม่ถูกไอกตัณหาประกอบไว้แต่ในอัธยาศัยขันธสันดานของสัตว์เนี่ยมันมืดมนอยู่ด้วยอํานาจของราคะโทสะโมหะนี่แหละ เลยไม่เห็นแจ้งพระนิพพานตั้หาจึงประกอบไว้ในอำนาจของตนเองประกอบไว้ปอกปิดไว้หมดเลยไม่ให้เห็นนิพพานไม่ให้สามารถไปพระนิพพานได้เนี่เขาประกอบไว้ทําให้สัตว์ทั้งหลายไม่สามารถเข้าถึงพระนิพพานได้ปิดไว้มุกมมเลยว่งเนื้อราคาโทรศโมหะปิดไว้หมดเลยทําให้มืดบอดครอบงําว่งนั่นเลยประเพที่ตัดแข้งตัดขาเลย ไม่ให้มีกําลังไม่ให้มีเลี้ยวแรงประกอบไว้หมดเอาอะไรเป็นล่อเขาไว้เอารูปที่สวยๆเสียงที่เพราะๆกลิ่นนี่มหอมรสที่อร่อยสื้ผ้าที่นิ่มๆเอาบ้านมาล่อเขาไวเอารัพย์มาล่อเขาไวเอาบุตรเอาภรรยาสามีมาล่อเขาไว้เอาสัตว์และสังขารบางทีเอาเอายสัตว์มาล่อไว้ก็อยู่ติดอยู่ในเราประกอบไว้ออกมันไม่ได้โอ้โหไปไม่เป็นเลยเดีเนี้เนี้ยขนาดนั้นนะเอาลูกมาล่อเขาไวเอาภรรยามาล่อเขาไวเอาสามีมาล่อเขาไว้ เอาเพื่อนมาล่อเขาไว้เอาพอ่อเอาแม่เอาบ้านเอาทรัพย์เอาบริวารเอาเงินทองเอาเกียรติยศชื่อเสียงมาล่อมาประกอบเขาไว้ปกปิดไม่ให้ออกได้ต้องอยู่ในอำนาจฉันเท่านั้นน่ากลัวไหมเนี่ยสัตว์นิพพานไม่ได้เลยออกเข้าถึงนิพพานไม่ได้เลยทําให้ขันทสันดานอัตยาสายมืดมนโอนทการด้วยราคาโทสามองปิดไว้หมดเลยประกอบชัดเลยโอ้โหรเรียนสมุทญาสจารแล้วเมธ ไปไม่เป็นเลยว่าไงย้อมพี่หญิงใหญ่ไม่เคยเห็นอรรยาสตร์มุมนี้เลยใช่ไหมไม่เคยเลยมือกลมกับเลยตวนนี้ฮะ <c oughs> <c oughs> น่ากลัวเนอะเราไม่เคยเห็นความร้ายกาจของเขาเลยใช่ไหม เขาร้ายกาศมากเขาประกอบแล้วติดทุกอย่างอยากระย่า ง, งเนียประกอบไปไม่เป็นเลยว่างั้นดูนี่สมุทัยยสัจจะเขาเรียกว่าอะไรนะสังโยสังโยคัตโถประกอบไว้ประกอบไว้ทำให้จมอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดให้ตกอยู่ในอนาจประกอบไว้ในอนาจของตน ให้เวียนไหวให้ตา ย, ใ ห, ใ, หตายให้เกิดให้ตายให้เกิดนิวัิตต์สงสารไม่สิ้นไม่สุดยังออกไม่ได้เป็นมนุษย์แล้วเอาประกอบไว้อีกเอาอยากทําดีให้เกิดเป็นมนุษย์ต่อให้เกิดเป็นเทวดาต่อให้เกิดเป็นพรมต่อแต่ไปนิพผานไม่ได้ปิดไว้ปิดไว้ไวให้ทําดีสิได้ไปสุขติทําไปทําไปอู้นี่ดีแล้วเอาไปจัดกิจกรรมทั้งหลายช่วยเหลือสงเคราะห์ สงเคราะห์คนพิการสงเคราะห์คนปัญญาอ่อนสงเคราะห์คนมีปัญหาเออทาไปนี่ประโยชน์เป็นคนดีนะว่ากัน <laughs> เป็นประธานแล้วเป็นประธานแล้วไปตั้งมูลนิี่ตั้งอะไรทั้งหลายเนี่ยโอ้โหออกรายการด้วยจยประกอบไว้จะได้ไปนิพพานไม่ได้ปิดเข้าไว้ปิดทุกแง่ทุกมุมเขาไว้ทําให้มีคนชมเยอะๆให้มีชื่อเสียงไปที่ไหนคนยกย่องมันจะได้ติด โอ้ขนาดนั้นเยใช่ไหมเอาเดี๋ยวเนี่ยไปจัดเดี๋ยวไปของไปแจกเด็กนะว่า ง, งั้นนะไปแจกเด็กไปช่วยคนจนไปช่วยคนภูเขาอุ้ยเขายากจนกันเนี่ยเดี๋ยวไปทํานาทํานาได้ข้าวแล้วไปแจกเขาส่งไปแจกเขาประกอบกันไว้ใหญ่มันไปนิพพานมองเห็นไหมนี่สังโยคัตโถ มันเป็นอย่างนี้ขนาดนั้นเลยเนะยให้มีงานเยอะๆงานแปลให้มีงานแปลเยอะๆมันจ ะ, ม, นจ ะ, ม, นจะมันจะผูกติดมไว้มันจะออกไม่ได้มันประกอบไว้ขนาดนั้นนี่สังโยคัถโถเป็นอย่างนี้มันจะได้ออกไม่ได้ปิดให้ทุกแง่ทุกมุมเ อ, อยากติดดีให้ทำดีให้ตาย ตายอยู่ในวัฏะถ้าไม่มีดีจะทําให้ทําชั่วจะได้ลงอบายทุกขติวิธิบัตในรกอยู่อย่างเงี้ยวนเกิดวนตายวนเกิดแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายวนอยู่อย่างเงี้ยประกอบไปอย่างเงี้ยอย่าให้ออกอย่าเห็นอย่าให้เห็นทางถ้าอยากจะทําดีก็ขอให้มีคนชื่นชมเยอะๆให้มีงานให้มีอะไรติดต่อติดต่อติดต่อกันเยอะๆอย่าให้ลาออกได้ลาออกได้ก็ไปรากมาเป็นที่ปรึกษาต่อ นี่สังโยคัดโถประกอบไว้ประกอบไว้เชื่อมไว้ประสานไว้อย่าให้หลุดจากอำนาจของเราเด็ดขาด <c oughs> ว่าไง <c oughs> <c oughs> อา้อาวอัดประการขบรบที่สี่ แปลว่าอะไรเป็นปริพโธดเป็นเครื่องกังวลอันนี้ต้องการจะอธิบายถึงมรรคสัจจะจะได้เห็นชัดว่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นทุลกังวลอยู่ด้วยกิเลสก ร, รมและวัตถุก ร, รมกิเลสกามก็คือตัวกิเลสในใจของสัตว์นั่นแหละวัตถุกรามคือการติดในวัตถุคือรูปเสียงกลิ่นรสโพธภ่าที่หน้าปราถนาในรา่ น, า, นาพอใจเนี่ย เปลื้องธุละกังวลออกไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่ปฏิบัติตามมรรคสัจจะไม่ทําให้บริบูรณ์ในองค์มรรคแปดประการนี่แหละใช่ไหมถ้าทําให้บริบูรณ์ด้วยสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตสัมมาอาชีวสัมมาวายมัสัมมาสติสัมมา ส, สมาธิถ้าอุตสาหาปะปปฏิบัติตามมรรคสัจจะแล้วเนี่ยจะสามารถเปลืองอธุละ ค, ความกังวลออกไปได้ ซึ่งจะเป็นธุระกังวลด้วยอำ น, นาจถึงตัณหาแต่มันไม่ให้เปลืองหรอกทำให้อย่ามันมันปิดไว้ไงมันทำให้กังวลมันทำให้มีธุระให้มีเรื่องราวให้มีการงานน้อยใหญ่ใช่ไหะทำให้ไม่หยุดโอยคุณมีความสามารถคุณมีความสามารถกิเลสก็หลอกให้ไปติดวัตถุกรรม ให้มีความกังวลหมดเลยมานี่ยังกังวลบ้านเลยกังวลพ่อไอ้กังวลแม่กังวลอะไรไม่รู้กังวลทรัพย์กังวลบุตรกังวลภรรยากังวลสามีกังวลนาไร่ที่ดินหุยกังวลหมดมีธุระเปลางที่ต้องกังวลอีกเยอะมากอย่าได้มีเวลาอุตสาหะปฏิบัติตามมรรคสัจจะวางเงินเอะแล้วจะปิดไว้ให้มีกังวลอยู่อย่างนี้แหละโอ้ตายเลย นี่แหละเพราะถูกตัณหาครอบงำอยู่ก็เลยลืมตัวไม่ยอมปฏิบัติตามมรรคสัจจะเนี่ยพระพุทธเจ้าต้องการให้เห็นใจความชัดตลอดถึงมรรคสัจจะนี่แหละจึงแสดงอัดคำว่าปรีโพทะเป็นเครื่องกังวลเรากังวลด้วยกังวลวัตถูกกรารกำลวงด้วยอำนาจกิเลสกรรม มีบ้านมีทรัพย์ไม่มีก็กังวลมีก็กังวลอยู่เนี้ยกังวลอยู่อย่างเงี้ยกังวลภายนอกไม่พอกังวลภายในนะเนี้ยโอ้โหเนี่ยตอนเนี้ยผมเราก็เริ่มงอขนเราก็เริ่มร่วงเลยเนี้ยเอาแล้วกังวลอีกแล้วสภาพร่างกายเราก็เริ่มแย่จิตใจเราก็โอ้ยกังวลหมดเลยทั้งภายในและภายนอกกังวลนบุตรหลานญาติเป็นทุลักังวลหมดเลยไม่มีเวลาอุตสาหะในการบําเพ็ญมรรคสัจจะเลยเนี่ยนี่เป็นอย่างเงี้ย นี่ตัวสมุทรยศสัจจะเรียนแล้วหมดแรงเลยต้องไม่หมดแรงสิต้องมีชื่นใจแต่ก่อนไม่รู้ความจริงต้องรู้ด้วยปัญญาไปรู้ด้วยใจกับทุกสิ <c oughs> เรานึกว่าตันหาเขาหวังดีกับเราเรานึกว่าสมุทัยสัจจาเนี่ยก็จะสร้างคุณประโยชน์ให้กับเราไม่มีเขาไม่เคยหวังดีอะไรกับเราเขามาเหมือนมิตรแต่จริงๆก็เป็นศัตรูที่ร้ายกาจที่สุด เข้ามาแบบยิ้มแย้มแจ่มใสนี่แหละโอ้โหแต่ที่ไหนได้เราเจ็บปวดกับมันมาเยอะมากกี่โมงแล้ว <c oughs> จะทันไหมเนี่ย <c oughs> จะทันถึงนิโรธาสัจเจ้าไหม <c oughs> อต่อไปเป็นอัดของใครนิโรธาสัจจะมีสี่อย่างมีอะไรบ้างนิสรณัตโถโอฟังตรง น, นี้เริ่มชื่นใจแล้วนิสระัตถาเขาแปลว่ารื้อตนออกนำออกก็ได้รื้อตนออกเปืืองตนออกก็ได้นิสรณัตถาก็คือว่า เป็นตัวรื้อตนออกจากแล้วก็ประการที่สองอะปริโพทัตโธไม่ใช่ปริโพธนะเป็นอะปริอะปริโพทัตโธก็คือว่าหมดเครื่องกังวลไม่มีเครื่องกังวล ปริโพธาแต่แปลว่าเป็นเครื่องกังวลถ้าอะเนี่ยก็คือไม่มีเครื่องกังวลไม่มีเครื่องกังวลอะสังฆตัถโธไม่มีปัจจัยประชุมปรุงแต่งไม่มีปัจจัยประชุมปรุงแต่งแล้วก็อ่ะมะตะัะมะตตัถโธอมัตต์ก็เป็นอมริตธรร ม, รรรรมไม่ตายไม่ตาย โอ้โหเชื่นใจแล้วแต่นี้นี่นิพานนี่ชื่นใจอย่างเนี้มีอัฏฐมีความหมายลึกนะนิจระนาถะเนี่ยเป็นลักษณะของนิโร ธ, ธทัศณะแท้เลยเป็นลักษณะของนิพานแท้จะเห็นได้ว่าบุคคลใดได้สําเร็จพระนิพานได้เข้าถึงพระนิพานได้สัมผัสพระนิพานบุคคลนั้นก็จะสามารถยกตนเองออกจากวัฏฏสงสารได้ เป็นนิสรณะถอนตนเองออกจากสังสารวัฏถอนตนเองออกจากการเวียนว่ายตายเกิดการเวียนว่ายตายเกิดเนี่ยการสืบต่อในพบหน้าหมดเลยจะไม่มีการเกิดใหม่อีกได้สำเร็จพระนิพพานแล้วก็จะยกตนเองออกจากสังสารวัตตสสงสารเป็นแน่แท้เห็นไหมพระเจ้าต้องการแสดงลักษณะเห็นว่าพระนิพพานเนี่ยมีลักษณะที่เป็นนิสรณโัโถเนี่ย ยกตนเอเองเปลื้องตนเองออกจากชาติทุกขชราทุกพยาทิทุกมรณะทุกข์ยกตนเองออกจากโสกาปริเทวทุกขโทมนาสาวายาตยกตนเองออกจากการเวียนไหวตายเกิดยกตนเองออกจากการไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์เดรัจฉานเปรตอสุรกายยกตนเองออกจากการไปเกิดเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นพรหมยกตนเองออกจากการเวียนไหวตายเกิดในวัฏฏะสงสารโอ้โยไม่ต้องสืบต่อพบใหม่ ไม่ต้องไปเวียนไหยตายเกิดไม่ต้องไปเป็นอะไรอีกแล้วยกตนเองออกการวปเป็นเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเราไม่ต้องไปรับใช้ใครอีกต่อไปเราจะเป็นอิสระเสรีภาพได้อย่างแท้จริงก็ต่อเตื่อเราได้นิสรณนัโนี่แหละยกตนเองออกจากมหันตภัยมหันตทุกชัดไหมพอจะชื่นใจไ้มตอนนี้ ่อใจแล้วเมื่อกี้เครียดแย่เลยเห็นทางรอดแล้วเห็นจุดหมายแล้วนั่นนิสรณัตโถะนิพพานหรือนิโรธัสจาเนี่ยนี่เป็นเป็นจุดหมายเราสำเร็จพระนิพพานเมื่อไหร่แล้วก็พ้นเนี่ยแล้วก็เปลื้องตนยกตนเองออกเราก็ไม่ต้องมาลำบากลาบนเราไม่ต้องไปรับใช้ใครอีกต่อไป ไม่ต้องไปกินข้าวไม่ต้องไปเข้าห้องน้ำไม่ต้องไปบริหารไม่ต้องมาทำโยคะไม่ต้องมานั่งปฏิบัติไม่ต้องมาเรียนหนังสือไม่ต้องมานั่งเขียนนั่งจดไม่ต้องมาใช้ตาหัวใจบุลินกายใจววรยกตัวเองออกเรียบร้อยแล้วจริงไหมจริงนี่นิสรณาโถประการที่สองเวลาจากัดเลยต้องรีบเร่งอะปริโพทัตโถ อปริโทรพโทัตโถเนี่ยมี อ, อธิบายเพื่อต้องการให้ทะลกไปถึงสมุทยาาายัยสัจจานะเพราะปริโพทัตโถเนี่เป็นใช่ไหมเป็นชื่อของสมุทัยนี่อปริปอปริโภทัตโถเนี่ยก็คือว่าต้องการอธิบายถึงสมุทยาาายัยจะจะเห็นว่าสัตว์ทั้งปวงเนี่ยที่มัวเป็นธุละกังวล ด้วยอํานาจของกิเลสกรรมและวัตถุกรรมนั้นก็เพราะในสันดานยังประกอบอยู่ด้วยตัณหาถูกตัณหาเนี่ยเข้ามาสิงอยู่กํากับอยู่ทําให้ตนเองนะ่ะหมกมุ่นอยู่ในกิเลสกรรมและก็วัตถุก ร, รมติดแน่นอยู่ในสีเสียงกิริทั้งหลายติดถ้าได้สําเร็จพระนิพพานปุ๊บตัดจนตัณหาได้ปุ๊บเมื่อใดขาดจากกรรมละสันดานและสิ้นทุระกังวลเลย หมดความกังวลไม่ต้องกังวลกับวัตถุกรรมกิเลสกรรมไม่ต้องกังวลกับบ้านกับทรัพย์กับรถกับไร่นาที่ดินกับบุตรกับภรรยากับสามีไม่ต้องกังวลกับเกียรติยศชื่อเสียงไม่ต้องกังวลกับสีเสียงกินรถโลิภัณไม่ต้องกังวลกับโราพาโทรศท์โมหะหมดความกังวลเลยว่าเราจะเป็นอะไรอีกต่อไปใช่ไหมหมดความกังวลเนี่ยทละตัณหาเสียได้เนี่ยนี่แหละไม่ต้องกังวลด้วยกิเลสกรรมวัตถุกรรมเนี่ย อันเป็นทุลักังวลอยู่เป็นเหตุให้ละตัณหาเสียมิได้ว่าถ้าเราไม่มัวหมกมุ่นอยู่มละไม่ได้แต่เราตัดเครื่องกังวลได้เมื่อไหร่ปุ๊บละได้นี่พระพุทธเจ้าต้องการจะแสดงให้ทะลุไปถึงสมุทยัยสัจจะว่าเนี่ยถ้าเราตัดสมุทัยสัจจะได้เมื่อไรเราก็หมดความกังวลหมดความกังวลได้อำนาจของกิเลสกรกรมและวัตุกรรมนี่อัปรอ ป, อปริโพทโัโธ ต้องการให้แทงตลอดถึงอะไรสมุทรยาสัจจะให้เห็นว่าไอ้ตัวสมุทรยาสัจจะเป็นความกังวลอย่างมากเป็นทุลักังวลอย่างมากตัดสมุทรธยาสัจจะเมื่อได้เมื่อไหร่ก็หมดความกังวลไม่ต้องกังวลในการที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดไม่ต้องกังวลไปที่ไปต้องไปเป็นอะไรไปห่วงอะไรถอนตันหาภายในได้ก็หมดความกังวลกับวัตถุภายนอก อัดคำรบที่สามอสังตัดโถแปลว่าอะไรอสังตัตถโถก็คือว่าไม่มีปัจจัยใดๆที่มาประชุมบงแต่งใช่ไหมต้องการจะมีอธิบายเพื่อต้องการให้แทงตลอดถึงมรรคสัจจะถึงมรรคสัจจะจะเห็นใจความว่า บุคคลผู้ปฏิบัติที่มีปัญญาพิจารณาเห็นตันหาที่เป็นเหมือนนายช่างเรือนเนี่ยเป็นนายช่างที่ประกอบเรือนสร้างเรือนในเป็นนายช่างที่ประกอบชิ้นส่วนของเรือนของบ้านไอ้ตันหาเป็นตัวประกอบชิ้นส่วนของทุกตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้งหลายเป็นตัวเหล่านี้นั้นตันหายังตกแต่งเครื่องเรือนก็คือ ผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตวิญญาต์ตับเนี่ยกตกแต่งแล้วแล้วก็ตกแต่งนามรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณให้เวียนว่ายตายเกิดจมอยู่ในกิเลสจมอยู่ในวัฏสงสารจมอยู่ในเรือนของตนนั่นแหละที่จะคิดอุบายหลบลีนี่ไปจากเรือนหรื้ออาถาพตัญหาคิดไม่ออกอาศัยการปฏิบัติตามมรรคสัจจานั้นๆันแหละจะเป็นอุบายที่จะให้พ้นจากเรือนคือตัญหาได้ นั้นถ้าปฏิบัติตามมรรคสัจจะพุทธเจ้าต้องการประสงค์มีวัตถุประสงค์ให้เห็นใจความว่าให้ทังตลอดถึงมรรคสัจจะถ้าหากเราไปประพฤติปฏิบัติตามมรรคสัจจะปุ๊บมันจะถอดตัณหาออกได้จะละตัณหา ไ, ได้แล้วจะตัวตัณหาทั้งหลายจะไม่สามารถประชุมปรุงแต่งหรือตกแต่งรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณได้อีกต่อไป หรือทิ้งได้เลยว่างั้นเถอะหรือทิ้งได้เลยเนี่ยอสังกตัดโถกแปลว่าหมดหาปัจจัยประชมปุงแต่งไม่ได้ต้องการพูด ท, ทะลุไปถึงมรรคสัจจานั้นการที่มนุษย์หรือบุคคลใดเนี่ยประพฤติปฏิบัติตามมรรคสัจจ์เนี่ยก็เลยเป็นการเป็นรื้อโครงสร้างของเรือน ที่ตันหาผูกเขาไว้หรือออกให้หมดเนี่ยหรือเสาหลังคาบ้านหรือหรือหน้าต่างประตูหรือทิ้งให้เกลี้ยงเลยเนยนี่ไอตัวตันหามันสร้างเนี่ยมันมันตกแต่งกองทุกข์มาให้ใช่ไหมเราไม่เคยรู้มันมันประชุมปรุงแต่งอะถ้าอสังคตตะโถเนี่ยไม่มีปัจจัยประชุมใดๆปรุงแต่งแล้วหมดหมดเหตุปัจจัยที่จะประชุมปรุงแต่ง แต่การที่จะมาถึงจุดหมายการหมดเหตุปัจจัยประปชุมบวงแต่งได้ก็ต้องดําเนินตามมาอุตสาหะบาเพ็ญตามมรรคสัจจานั่นแหละถึงจะเข้าถึงนิโรธาสาจาัจจะถึงจะสามารถกําจัดหรือเรื้อไอเรือนหลังเนี้ยเรือนเลยที่ว่าให้สัตว์ทั้งหลายนยี่ยแหละทั้งปวงเวียนทุกเวียนยากทนลําบากอยู่ในเรือนของตนเองลําบากอย่างเงี้เพราะมันยังมีเรือนอยู่มันออกไม่ได้ใช่ไหมมันก็วนวนวนวนว น, ว น, ว น, วนอยู่นั่นแหละ หรือทิ้งซะเลยหรือทิ้งซะเลยเนี่ยมันก็เนี่ยตรงเนี้ยพระเจ้าต้องการให้เห็นอสังกตัถโธให้ทะลุถึงมรรคสัจจานี่คำลบสามคำลบที่สี่อมตะตถโธอมตะอมตะนี่ต้องการอาาธิบายให้ทะลุถึงทุกขสัจจ์คือจะเห็นได้ว่านิโรธสัจจ์เนี่ยเป็นน้ำำําอมฤตเป็นน้ำำําอมตะเป็นยาวิเศษเนี่ย สามารถระ ง, งับโรคได้ระ ง, งับโรคคือกองทุกขทั้งสิองกองเนี่ยเป็นโรคชาติทุกข์มมันมั น, ม, นมันวิปริตเออมันปีระนั้นเบียดเบียนตลอดเป็นโรคนอะทุกข์สัจจะเป็นโรคเป็นตัวปัญหานี่ชาติทุกชาลาทุกพญาทิทุกมรณะทุกโสกกาพุทธิเทวทุกขโทมนาสัพพายาตความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่าไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความครับแค้นใจ ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นไมพระภาคจ้ของรักและสัตว์และสังขารงหลายเป็นทุกข์นี่โดยย่ออุปาทานทั้งหมดในบสองกองเป็นทุกข์นี้เป็นโรคเป็นโรคทีนี้เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้ถ้าได้ดื่มน้ำอมฤตก็คือพระนิพพาน ห, หรือนิโรธสัจจะแล้วเนี่ยโรคทั้งสิบสองโรค มีโรคข้อความเกิดโรคเพราะความแก่โรคเพราะความเก็บโรคเพราะความตายเป็นต้นเนี่ยจะระ ง, งับดับหายกองทุกทั้งหลายก็จะดับสูญสิ้นไปอาศัยพระนิพพานนี่แหละนั้นพระบรมศ า, าสดาต้องการให้เห็นใจความตลอดแทงตลอดถึงทุกขสัจจะจึงบอกว่าพระนิพพานเนี่ยเป็นอมะตะโถเป็นน้ำำําอมฤตเป็นน้ํายาวิเศษถ้าดื่มก็ไประ ง, งับ ทกทั้งสิบสองกองได้เลยอยากดื่มไหมถ้าไม่ได้ดื่มน้ําอันนี้เข้าไปนะโอ้โหเพ่นพ่านละสัาละสายละงอมไปได้ทุกทุกมันโจมตีเบียดเบียนตลอดเวลาเลยเนี่ยฉะนั้นต้องรีบดื่มน้ําอมะเร็ดนี่ให้ได้น้ำาาํำอมตะเนี่ยกินแล้วไม่ตายกินแล้วไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่ โอ้โหทำให้เห็นอยากดื่มเต็ ม, ม, มทนเลยในนี้ <c oughs> <c oughs> เอาต่อไปรีบเข้ามรรคสัจจะมีอัดสี่ประการเนื้อหนึ่งนินยานัโถนินยานิกธรรมนินยานัโถ ổ. คือนำตนออกจากภพนิยญญานิกะนี้นำตนออกจากภพนำขันห้าออกจากภพนำอัตภาพออกจากวั ต, ตะนี่นี่สองเหตุตวัตโถเป็นเหตุเหตุตวตาเป็นเหตุเป็นเหตุประการหนึ่งเป็นเหตุให้ถึงไม่ใช่เป็นเหตุที่สร้างให้นิโรธเกิด น, นะจะเป็นเหตุให้ถึงเป็นทางดำเนินนั่นเอง สามนิทัศนัตโถ ổ, นิทัศนะในที่นี้แปลว่าซ้ำแดงออกซ้ำแดงออกสำแด ง, แ, ดงแล้วก็อาทิตยปัตยาโถ ổ, อาทิปปฏตยาเนี่ยเป็นใหญ่เป็นใหญ่หญอา้าวต่นี้ดูอัดแรกเลยนะ นินยานัโถ ท, ที่บอกมีนี่เป็นลักษณะเป็นลักษณะหน้าตาของมรรคสัจจะแท้ๆพระพุทธเจ้าประสงค์จะให้เห็นใจความว่าบุคคลที่เป็นสัตว์ปรุษปรารถนาจะข้ามมหาสมุทรมหาสมุทรคือวัดสงสารคือสังสารวัตรเป็นมหาสมุทรใหญ่ถ้าปรารถนาจะข้ามมหาสมุทรจะข้ามได้ก็ต้องอาศัยมรรคสัจญานี้จะข้ามสังสารวัตร จะข้ามวัตตาสงสารจะข้ามห่วงมหาสมุทรก็ต้องอาศัยมรรคสัจจะมรรคสัจจะนี้จึงเป็นสัมเภาทองสัมเภารธรรมล้ำเลิดล <c oughs> อดได้ใหญ่หลวงมากโนี่เป็นสัมเภาทองเป็นสัมเภาธรรมล้ำเลิอดใหญ่หลวงมากสามารถที่จะวอลแนนผ่านฝ่ามหาสมุทรไปไม่โครองไม่โอนไม่เอียงไม่ล่มด้วย ถ้าไม่ใช่มรรคสัจจะไม่ถ้าไม่ใช่เรือลํานี้ล่มกลางมหาสมุทรทุกลายเรียบร้อยไปไม่รอดแต่ตต ถ, ถ้ามรรคสัจจะสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปะสัมมาวาจาสัมมารกรรมตตาสัมมาชีวสัมมาวิมารสมาสติสัมมาสมาธินี่เป็นสัเภารธรรมลาใหญ่ลําเลิศเลยเนะืถ้าใครขึ้นได้นําพาชีวิตเนี่ยขึ้นสู่ทะเลหลวงข้ามฝั่งมหาสมุทรได้เนี่ยก็คือว่า ไม่แตกด้วยไอ้สัมเภาทองลํานี้สัมภารธรราเหล่านี้มั่นคงแน่นหนามคนทานมากลมพายุเท่าใดก็ไม่หวาดหวั่นไม่สะเทือนไม่สะทานแล้วก็มรคสัจจาหรือสัมเภาลําเนี้สามารถถ้าเป็นพวกสัมเภารลาอื่นไม่สามารถจะข้ามโลกีย์มหาสมุทรนี้ได้ ต้องเป็นสัมภาลำนี้เท่านั้นคือมรคตจั่นี้เท่านั้นที่จะสามารถข้ามโลกียะมหาสมุทรได้เพราะว่าตัวโลกียะมหาสมุทรเนี่ยมันมีอะไรมีพวกปริเทวะคือความโศกความร่าไรลําพันธ์ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความคับแค้นใจนี่แหละความซึงเนี่ยเป็นน้ำ คือนี่คือน้ำของโลกย่มหาสมุทรมันเป็นละลอกใหญ่หลวงมือมามันมีชาติคือความเกิดชราความแก่พยาธิมันเกลื่อนกลนเหมือนกับผีเสื้อน้ําอ่ะผีเหมือนผีเสื้อเหมือนปลาร้ายในมหาสมุทรเนี่ยเหมือนกันนะ่ะโลภะโทสะโมหะมัชชริยะก็คือตัวความตะหนี่ความห่วงแหนทั้งหลายเหล่านี้ย มันจมอยู่ในมหาสมุทรฉะนั้นเรือลําอื่นจึงไม่สามารถที่จะข้ามมหาสมุทรที่มันมีภัยร้ายกาศทุกด้านนี้ได้ยกเว้นมรคสัจยากยกเว้นสําเภาทําลํานี้เท่านั้นแหละเพราะไม่ไม่แตกไม่ทำร้ายนี่เรืออื่นที่ไม่ได้ครบองค์หรือไม่ใช่เรือลําเนี้ยไปเรียบร้อยวิบัติหมด วิบัติบวชจมบ้างพินาศบ้างแล้วก็ตกตายไปเป็นอาหารของสัตว์ร้ายในทะเลในมหาสมุทรเลยแต่ธรรมะขสั์จะไม่เป็นอย่างนี้สัมเพาธรรมลำนี้ขึ้นมาให้ได้แล้วเราจะปลอดภัยน่าเชื่อใจไหมว่าเราจะต้องรีบขึ้นให้ทันศินสมาธิปัญญาหรือส ม, มาธิที่สมาสังกป่เป็นต้นเหล่านี้ยสัมเพลาธรรมลำนี้สัมเพ า, ท, ำำพาทองลำนี้ย ถ้าขึ้นมาได้แล้วจะปลอดภัยตอนนี้เราขึ้นได้บางนียังเนี่ยขึ้นได้บางนีถ้าขึ้นได้เมื่อไหร่ปุ๊บมันจะนาออกนะจะยกตนออกที่บอกว่านิน ญ, ญานโถเนี่ยมียกตนห่อยเองออกจากภพยกตนเองออกจากคือจากฝั่งนี้เขาถึงฝั่งนู้นได้ถ้าได้ขึ้นเรือลำนี้นะ เขาเรียกว่านินยานัโถจะสามารถนำตนเองออกจากพบออกจากฝังออกจากและในขณะที่ดำเนินไปตามมหาสมุทรเนี่ยมันมีภัยสารพัดหมดและจะสามารถฝว่าขึ้นแรงลมสัตว์ร้ายปลาร้ายนะไปถึงจุดหมายปลายทางได้นั้นต้องประสานต้องขึ้นเรือลานี้ให้ได้ถ้าขึ้นไม่ได้ เรียบร้อยประการที่สามเหมเหตุหตะวัตโถก็คือว่าเป็นเหตุ น, นี่ต้องการอธิบายให้ตลอดถึงสมุทัยยะจะเห็นว่าบุคคลเนี่ยที่จะข้ามพ้นทะเลโลกยะมาหาสมุทรนี้ได้นั้นถ้ายังจมอยู่นด้วยอำนาจของตันหา ถ้าตันหายังข่มขีย่ำยีอยู่เป็นนิตรการไม่สามารถที่จะออกได้และตันหาอุปาทานทั้งหลายแล้วเนี่ยถ้าตันหามีกำลังแก่กล้าปุ๊บปัญญาจะไม่สามารถหักลานได้ดังนั้นแต่ถ้าหากเราเข้าไปห า, าสมภาลลานี้ก็คือมรรคสัจจะเนี่ยมันนึงจะอาจข้าม ข้ามได้นั้นถ้ามีสัมมาทิฏฐินะเป็นเบื้องต้นให้เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณ า, าเห็นตัณหาเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้เกิดอุปัตถวะและอันตรายต่างๆถ้าเห็นโทษของตัณหาอุตสาหะประพฤติปฏิบัติตามมรรคสัจจะหาหาสัมเภาทองลำนี้ให้ได้ถ้าเราหาสัมภเอทองลำนี้ได้หามรรคสัจจะได้เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะสามารถจัดการไตัณหาได้ แต่ถ้าหาไม่เจอปุ๊บเราจะตกเป็นธาตของตันหาและเราก็จะประสบความทุกขประสบความทุกขและความเจ็บปวดตอนนี้หาเจอได้ยังสมาธิฏฐิสม า, ส, าสักปาหาเจอได้ยังไอเรือรําเนี้ยสัมเภารธรรมลำนี้สัมเภาทองลำเนี้ยถ้าหาสัมเภารก็คือมรคสัจจะได้แล้วก็จะสามารถลือ้อขนข้าม หลกย่มหาสมุทรได้มูลเหตุก็คือตัณหานะมันจะข่มขี่มันย่ำยีเราไม่ได้ต่อไปใช่ไหมถ้าเราปฏิบัติตามมรรคสัจจะนี่เป็นอย่างนี้นี่เหตุเหตวัตถุเขาต้องการให้มองเห็นว่าสมุทัยสัจจะนี่ยต้องระวังนะปฏิบัติตามมรรคสัจจะนะอย่าไปปฏิบัติตามสมุทัยสัจจะนะถ้าปฏิบัติตามสมุทัยสัจจะมันจมอยู่ในทะเลหลวงเลยแต่ถ้าหาปฏิบัติตามมรรคสัจจะมันถึงจะออกจากทะเลหลวงที่มันมีภัยร้ายกาดนี้ได้ต้องระวังนะ อย่าจับเหตุผิดนะอย่าจับเหตุผิดอย่าประกอบเหตุผิดถ้าประกอบสมุทัยส จ, จั๋วอลไรมันจมลงในวัฏทุกรทันทีแต่ถ้าประกอบเหตุถูกต่างหากมันถึงจะออกจากโลกยะมหาสมุทรหรื อ, อทะเลบ้าคลั่งตัวนี้ได้นะมันประการที่สามนิสรณนิทัศนาโถนี่ต้องการอธิบายถึงนิโร ธ, ธรสจจาสจั๋วนะจะเห็นได้ว่า มรรคสัจจาเนี่ยเป็นอุบายที่จะแสดงให้เห็นประจักษ์แจ้งซึ่งนิโรธัสสัจจะจะทําให้เราเข้าไปเห็นนิทัศนาแปลว่าเห็นถ้าปฏิบัติตามมรรคสัจจาแล้วก็สามารถที่จะพบเห็นนิโรธัสัจจะได้นะถ้าปฏิบัติตามมรรคสัจจาแต่ถ้าปฏิบัติผิดมรรคสัจจาแล้วเราจะไม่ได้พบพระนิพพานจะไม่ได้เห็นพระนิพพานจะไม่ทําตนแสดงออก เข้าไปถึงพระนิพพานได้นี่เขาต้องการว่ามรรคสัจจะนี่เป็นเหตุเป็นเหตุและมรรคสัจจะนี่เป็นหนทางนะถ้าเราดำเนินตามมรรคสัจจะแล้วจะทำให้เราเห็นพระนิพพานตัวมรรคสัจจะไม่ใช่เป็นเหตุทำให้นิพพานเกิดแต่มรรคสัจจะเป็นเส้นทางนะเป็นเส้นทางเป็นเหมือนเรือเป็นเหมือนเรือที่เราจะทำให้เราข้ามถึงฝั่งที่ปลอดภัย เมื่อข้ามเมื่อเมื่อเราขึ้นเรือลำนี้ปุ๊บเราจะเห็นฝั่งนะเมื่อไปเข้าใกล้ใกล้ใขึ้นมาปุ๊บในส่วนจริงเราจะเห็นฝั่งที่ปลอดภัยได้พอเห็นฝั่งที่ปลอดภัยได้แล้วเราก็ชื่นใจแล้วแล้วเราจะไม่ลงจากเรือลำนี้เด็ดขาดเนี่ยเขาจะเห็นอย่างเงี้ยนีทัศนะก็เห็นพระนิพานเห็นความปลอดภยัยเห็นความปลอดโปร่งนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้นั้นถ้า พุทธเจ้าต้องการจะแสดงใจความไม่เห็นว่าขึ้นมรรคสัจจะเมื่อไหร่ประกอบมรรคสัจจะบริบูรณ์เมื่อไหร่ปุ๊บเราจะเห็นจุดหมายปลายทางเห็นพระนิพพานเมื่อเรือลํานี้เข้าไปจอดท่าเทียบท่าตลอดถึงเข้าถึงฝั่งนั้นเมื่อไหร่เราก็จะยกตนเองออกแล้วเข้าสู่พระนิพพานได้ไม่จําเป็นต้องแบกเรือขึ้นฝั่งอีกต่อไปใช่ไ <c oughs> เอาำรำลบ4อธิปไตยโถก็คือเป็นใหญ่นี่ต้องการจะอธิบายถึงแทงตลอดถึงทุกขสัจจ์ประสงค์ให้เห็นใจความชัดว่ามรรคสัจจานี้เป็นใหญ่ในที่จะสามารถระงับวัตทุกข์หรือกองทุกข์ทั้งปวงได้ตองกองทุกข์ทั้งปวงจะดับศูนก็อาศัยมรรคสัจจะมรรคสัจจ์เนี่ยท่านอุปมาเหมือนโอสถและมนวิเศษสําหรับที่จะระงับพิษได้ด้วย หรือมิฉะนั้นก็ประดุดดังท่อหรือทานน้ำฝนที่ตกลงมาเหมือนน้ำฝนที่ตกลงมามีท่อรับรับรองลางที่รองรองน้าฝนตกลงมาทำพืชข้าวกล้าให้บริบูรณ์ให้ปราศจากภัยคือการอดอาหารมรคสัจจานี้เป็นใหญ่ที่จะสามารถระงับทุกขการที่จะร ะ, ะงับชาติที่ทุกชรลาทุกพยาทธทุกมรณะทุก เป็นต้นเหล่านี้เนีจะถึงความโศกความลําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความครับแค้นใจทุกประการพัดพลาดเป็นต้นทุกประการกันนะก็มีอะไรก็มีมรรคสัจจะนี่เป็นใหญ่เป็นประธานนั้นแต่ปรารถนาที่จะระ ง, งับกองทุกข์หรือเข้าถึงความเป็นใหญ่ได้ก็คือว่ามรรคสัจจะนี่เป็นใหญ่เป็นใหญ่เป็นอธิปไตยะที่จะสามารถดับแล้วก็ระ ง, งับกองทุก ทำให้กองทุกข์ทั้งหลายนะหมดสิ้นไปได้เมื่อเราเข้าถึงมรรคสัจจะประชุมมรรคสัจจะประกอบองค์มรรคสัจจะให้บริบูรณ์ปุ๊บเนี่ยเข้าถึงความยิ่งใหญ่กองทุกข์ทั้งหลายจะไม่เบียดเบียนท่านพู้นั้นอีกต่อไปเล ย, เยก็หวังว่าเราทั้งหลายได้ทราบอัดของทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคชัดและก็หวังว่าเราจะได้แนวทางในการที่จะดําเนินตนเองยกตนเองเปลื้องตนเองออกจากวัฏทุกข์ ดำเนินตามอริยมรรคบรรลุถึงนิโรธาสจาัจกาวคือพระิพานทำตนเองออกจากกิเลสและกองทุกได้โดยไม่ไม่ยากไม่ลำบากให้เข้าใจว่าพวกเราทั้งหลายตอนนี้เรากำลังจมหรือตกอยู่ในห่วงของกองทุกแวดล้อมเราเต็มไปหมดแล้วเราเนี่ยปฏิบัติผิดมาตลอดเราไปส่งเสริมตัณหาใช่ไหมละ่ะ ทำให้ตัณหาเราไปปฏิบัติผิดจริงๆแทนที่เราจะปฏิบัติตามมรรคสัจจะแต่เราก็ไปปฏิบัติตามสมุทัยสัจจะเราไม่เห็นว่าทุกข์มันร้ายกาจยังไงสมุทัยมันร้ายกาจยังไงเราไม่เห็นว่านิโรธสาสัจจะหรือนิพพานเนี่ยมันเป็นความปลอดเป็นจุดเป็นสถานที่ปลอดภัยยังไงเป็นอมะตะเป็นอมฤตนะแล้วก็เราไม่เห็นว่ามรรคสัจจะเป็นสําเภาทองสําเภารธรรมลำใหญ่ ที่เราขึ้นไปได้เมื่อไหร่เราจะปลอดภัยนําพากระแสชีวิตของเราเนี่ยให้เข้าถึงอนุปาทานปานิพพานการดับกิเลสและกองทุกข์ได้อย่างแท้จริงยังไง เ, เราไม่เห็นแต่วันนี้เราเห็นแล้วหวังว่าความรู้ความเข้าใจของเราตอนนี้จะฝังแน่นในกระแสของความคิดและติดตัวเราไปในทุกอัตภาพที่เกิดแล้วก็ไปเพิ่มพูนให้เกิดความรู้ความเข้าใจให้ชัดแล้วจะได้นําตนเองเนี่ยเข้าถึงความปลอดภัยได้อย่างแท้จริง เอาแล้ววันนี้สมควรเดี๋ยวเวลาแล้วนก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้อ้าวต่อไปอุทิศกุศลกัน